ขึ้นมาถวายเองนะคะก็จะรีบทำส่วนอันที่ทก็ถามก็เหมือนกันว่าก็จะขอเป็นเท็จให้เขาบอกค่าเขายากแต่จะใช้เวลานิดนะะึงค่ะแต่ว่าเขาขอบขอึ้นมาขขึ้นมาถวายเองส่น้ภาษาส่วน้ออาหารอาจาริ์รวมได้ไม่ทราบอ้นารจะให้ใช้ชื่อว่าอะไระคะ่ะภาษ <c oughs> าเด็กนโโุ่งงงลนะ <c oughs> ก็จะดีแบบตังระดับใหญนคิวเตอร์ใวงตันก็เลยไมใมื่อกในเรองขอดขงบัตรทานเพราะมันสามเงื่อนเมื่อที่ที่ที่อยู่ในเว็บไซแต่นนั้นมันจะเล่นของของไม่ถืจะเป็นของท่านท่านเจ้าที่ถ้าาบอกว่า ส้างที่มาว่าอยู่ที่ไหนตรงเปิมได้ไหมเดิมไ้ไม่ต้อ ง, อองอคือแรกไมกรู้ว่าที่จะกินถ้าภาษาอสรกจเนี่ยชื่อใหญ่จะลงอันที่เป็นของพัทยาไปด้วยจะจะรอไม่กี่วันก็จะได้ก็เห็นข้อหวดีมากขึ้นมากจะ้ะ จะรอเป็นานก็ได้พ <c oughs> ระเไม่รู้ว่าเขาจะทำแต่เขาบอกว่าตัวตัวที่ที่เป็นเขียงกระรูปเนี่ยจะชงมาสวยก่อนภายแล้วที่ได้ไหมคะตรง น, นั้นไม่ทราบต้บจกกัาากรกนะาไม่มีเวลาถอดเาาไม่มีเวลาถอดนะนจะทําที่ญาโยมส่งมาให้ตัวเจ้าเเวลาท่านก็ไม่มีาอาที่ยุ่ดูก็ <c oughs> ได้มาถึง ัเดี yeah. no. um, yeah. yeah. right. ๋ยวคุณคิวจะเป็นคิอคนรุ่นคุจะให้ก็เพื้อขอตังค์เนะแทาเป็นบีลี่เรที่หมายเปนที่ในในใบีดีมีบีดมีได้ก็่ไหมครวามหาแล้วก็ให้มาหา้กันมาเลี่ยนหน่อยๆ่านก็เลยเาทานู่ใวันดี ถ้าเราทานัก็ได้เราเขาทำงานอย่านก็ทำของเราไปาก่อนก็ได้ถ้าส่ถ้าของมาก็ถ้าทาันเราก็เอาอุปถัมภ์มาเปียนเลี้ยงดูอะไร <c oughs> แต่คงยังไม่ไม่ยากหรอกไม่ต้องตายแล้วเพราะเมภาษาะคารวิจิตรนะกินแต่อาจจะเปลี่ยนสับบางคำ แล <PTSD> <denominator. S 1> va, ้วก็เก hmm. okay, yeah. ี่ยงโชคการม้าแล้วให้มันสูกตามหลักวิัย์ศาสตร์เพื่อจะส่งไปให้แหล่งรวมโดยเขาช่วยเหลือมีความเป็น เมื่อวานนี้คุณพี่คุณี่ชายที่เคยมาด้วยเข้ามาพาลูกกับพาภรรยาเนี่ที่โทรตังหลารสภาภาคเลยแ่ีกรัด มาปฏิบติธรรมระยะาเขาเคไปศึกษาที่ททอิสานมีการทูลวารรู้กักก็มีแต่คนที่อาตมารู้จักเพื่ทนที่เรียนที่อิสานก็อยู่ช่วงช่วงเดียวกันายนาติเขาก็ปฏิบัติก็ไปปฏิบัติสวดมนต์ก็สงฆ์ให้เข้าไปอยู่ทีละสิบวันแล้วก็ไม่ให้เพนยงแ คือให้เป็นใ้เมืน ก, ก็เป็นติ่นตี่นสังวรชิงสังวรเขาพอเวลาคุยเวลาปฏิบัติมันไม้ไม่ไม่้มการนะเพราะมันจะเถอะเลอแล้วก็คยเรื่องนอี่เรื่องนี้เป็นปีทากาเล่แบบทางน้นทางทางโกงก้าเขาก็ใช้หลักของสติปัญาคือให้มรียนสติรอยู่กับ ตายมีทำงานจิตนม่ทำอันนี้ไม่ทราบรายลเอยีแต่ว่าท่องมีฟังมสีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของทางสื่กายก็ดีไม่ทำงนานก็ดีจิตก็ดีที่ทำทก็คือคาการพิจารณาทำในแง่ของการพิจารณาฐน้าหอดใจจารทุกขังนักการนีน้เรียกว่ามีสติอยู่กับความ กาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาเดินยืนนั่งนอนก็ใ ห, มห้มีสติเองกับ อ, อาจารย่างนั้นไม่ได้ส่งจิตไปที่อื่นทัญญาเราจะทําของอย่างควบคกู่กันไปเราจะลดแล้วก็เป็นการขึ้นแล้วจะลดแล้วเราก็อยอยา ข, ขึ้นแล้วอื่ต่อไปในขณะที่เรากำลังลด กำลังเดินแล้วก็รู้ว่าเรากำลังเดินแต่ในขณะเดียวกันเราก็คิดถึงเรื่องอือน่นไปด้วยอย่างนี้ไม่ใช่เป็นไม่ใน ไ, ไ, ไม่ไม่ใช่เป็นสติสัฐานถ้าสติสัฐานเรต้องอยู่กับการยืนการเดินกา ร, Orion, การนัน่การลอยอย่างเดียวรู้อยู่ตงนั้นือถ้าจะคิดจะให้คิดเรื่องขับร่างกายร่างกายที่กำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังลอย มีอะไรมีอาการอะไรบ้างาก็พิจาดว่ามีผมีขมีเล็บมีฟันมีเือมีเนื้อมีกระดูกมีอาการ32ส่วนด้วยกันพิารณาไปรื่อ้ติดท่องเที่ยวอยู่ในกายถ้าอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาด้วยแล้ก็มีสติด้วยการปฏิบัติถ้าไม่มีสติมันจะไม่ได้ผล ใช้เวลาจะทําจิตให้สงบกำลังจิตให้อยู่กับทุตโทธก็ดูไม่อยู่กับลมหายใจเขาออกก็ดูจะอยู่ได้ไม่งายอยู่ได้เพียงแค่เดียวแล้วก็จะเผอคิดเรื่องต่างๆแล้วก็ไม่รู้สึกตัวว่าว่ากำลังเผลอก็ยังคิดว่าอยู่กับลมหายใจอยู่กับการภาวนาอยู กาท่นคิดตายเลื่นตเลื่อนทงานเท่าเท่าไรก็ไม่รู้ไม่เห็นผลไม่ไม่เกิดผลคความส้สติ่ถ้ามีสติแล้วมันจะไม่ค่อยไปรว่าจะไปก็จะรู้ว่ามันไปแล้วก็เดินมันกลับมาได้เาอยู่กับลมก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกไปเราจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ตลอดอ่ะตายแล้วนะกลับมากับมาที่ลมหอ มาจารดูคงต่อไปถ้าบ่อยตาท ร, ท, รทุกโถก็ไดูดกแบทุกโถทุกโถก็ได้อจะเท่าดูอาการการดิ้นรของน้างกาก็ได้แทนทุกโถก็ได้เป็นแทที่เราจะเท่าทุกโถทุกโถเราจะเท่าว่าผมขนและบห น, นืาเอ็นกระดิดเลี่กระดิดเข้าไปเรื่อยๆเป็นโรประการสารดิ้นรน แล้วก็ถ้าทำงานก็อถอด ถ, อ, ถ อ, อยออกมาก็ได้พิจารณาเข้าไปแล้วก็พิจารณาออกมาถ้าท่องถอยหลังทำไม่ได้ก็เอาแต่เอาแต่างหน้าเขาไปไม่ได้เห็นถอยามมาอ แ, แล้วฝันเข้าไปแต่ท่านสอนให้ทำทั้งปฏิานิโลมและปฏิโลมอฏิานุโลมก็คือพิจารณาเข้าไปแล้วปฏิโลมก็ให้พิจารณา ย้อนออกมาในบรรดาการทั้งสามสิบสองมันในเริต้นเพียงแต่ทาให้ให้ให้ให้ขึ้นใจไปก่อเนะ่อง่ต้องไปกำหนดดูรูปลักษณะว่าจะอย่างไรเพียงแต่ให้ใจยื่กับอาการทั้งสาสิบสองนี้เพื่อจะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นที่จะทําให้เกิดความขึ้นขึ้นถ้าใหใจอยู่กับอาการสามสิบสองของร่างกายนี้ได้ เมื่ออยู่กับทุกขโธ่รูร้ อ, อยู่กับลมหายาจอย่างต่อเ น, นืน่มันจะค่อยๆสงบเข้าไปแต่ควาสมสงบของแต่ะคนก็อาจจาไม่เหมือนกันบางคนก็ค่อยๆสงบบางคนก็วุอือนกันมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหเมื่อจิตมีสติยังต่อเ น, นื่ออยู่กับงานที่เราให้จิตทำเาะฉะนั้นถ้ามันจะรู้สึกว่าการภาวงงนานไม่ยากเลย เทลลับมันอยู่ตรตัวสติตัวนั้ตัวเดียวากตรงตรงเกิียดยาสติในบรรณาธรรมทั้งหลายสตินี่เปรียบเหมือนกับรอยท้าช้างมีความยิ่งใหญ่กว่าธรรมทั้งธรรมอาอืาอ่นทั้งหมดท่านกล่าวว่ารอยเท้าช้างนีครอบรอยเท้าของสัตว์เองที่ชนิดเองเาช้างนี่เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลาย ธรรมะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นก็ที่สติเป็นเป็นเป็นตัวที่สําคัญที่สุดมีสอนให้เจริญสติอยูตลอดเวลาไม่ว่าไปไปที่สำนักไหนไปฟังที่ครูบาอาจารย์ที่ไหนที่เป็นสำนักปฏิบัติก็จะต้องเน้นเรื่องการเจริญสติดีเสมอ ี่ท่านสอนว่าพุโทธโธพุทโธนี่ก็เรียกว่าพุทธานสติการะลึกถึงพระพุธทธเจ้าาให้บวชมนนียก็เป็นธรรมานสติเพราะบทบวชมนก็เป็นคําสองของพระพุทธเจ้านม่ใช่ร ะ, ะลึกถึงครูบาอาจารย์คิดระลึกถึงประวัติอันมีงามของท่านระลึกถงแต่ระลึกถึงหน้าท่าน ก็เป็นสังขารนิสิตเวลาเราเลห็นท่านก็ได้หลายอย่างจิตก็สงบก็มีคามเรื่องใส่แหนสร้างศรัทธาแสร้างแห่สร้างความเพียรผหนท่านปิบัติมาแล้วเม็นท่านได้ได้บรรลุได้สำเร็จก็ทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจ รือว่างานที่เรากําลังทําอย่างนี้ไม่ได้เหตุร้ายผลทำไปแล้วไม่ช้าก็เลยสักวันหนึ่งเราก็จะได้เป็นมท่านอย่างแน่นอนเพราะตัวท่านเองก่อนที่ท่านจะเป็นอย่างที่ท่านเป็นท่านก็เป็นเหมือนเรท่ า, งงานเดียวกั น, น, นท่านก็ไม่รู้ภาษีกาษาไม่มีสติไม่มีสตางค์แต่พอท่านได้พบกับตุบาจารย์ต่างๆ แล้พบ ก, กับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมเอาไปปฏิบัติท่านก็ไค่อยพัฒนาขึ้นไปในเนีก้กจนในที่สุดก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันอยู่เป็นสาระปริมาเป็นสังฆรัตนะเป็นผู้เพึ่งให้พวกเราได้กล่าวว่าได้ยินได้ฟังเทศฟังฟัของท่าน ได้ยึดท่านเปนแบบเป็นฉบับได้ท่านเป็นกำลังจิตกำลังใจเพราดยปกติคนเราถ้าไม่มีคนที่ดีที่เก่งเป็นหัวหน้าแนละ้วเราจะรู้สึกว่าเราว่าวเว่เราไม่แน่ใจในตัวเราเองเราจะไม่มีความกล้าหาญไม่มีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติ พร้อมรู้ว่าปฏิบัติไปแล้วมันจะได้อะไรเลยมั้งแต่ถ้าเรามีคนอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ผ่านมาแล้วถ้าท่านเอาสิ่งต่างๆที่ท่านได้ประสบทั้งด้านเหตุและด้านผลแต่ก็เกียงการปฏิบัติแบบไม่ท้อถอยด้วยความเข้มข็งด้วความอดทนด้วยความกล้าหาญแล้วก็ผลที่ปรากฏขึ้นในจิตในใจ ที่ทำให้มีความโน้มน้อเป็นสุดมีทางต่อจากความทุกความวุ่นวายใจต่งตางๆก็จะทำให้เรามีกําลังจิดกําลังใจมีศรัทธามีความเชื่อมีมีชันทะความยินดีที่จะต่อสู้กับความทุกข์ความยากความลำบากต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติพราะยกตัวอย่างอาจจะมาตอนที่ไม่ได้ไปพบปฏิบายจางปฏิบัติเองก็ปฏิบัติไปบ่อกพอไปได้แต่ไม่ไม่เข้มข้นเทนะ่าไหรก็เปียงฉั น, นาอาหารวันละนี้แ่นั้นเองแต่พอไปที่รักษามันตานเห็นพระได้ อดอาหารกันทีละห้าวันเจ็ดวันทีละสิบห้าวันมันก็ทำให้เราเกิดมีกำลังใจแล้วก็มีตัวอย่างที่ดีคือเราไม่รู้ว่าการหัวนอาหารนี้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติในการภาวนาแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้ลองทดลองดูเมื่อทดลองแล้วก็เห็นคุณค่าของมันก็ อ, อาศาัยการ ปัญหานี้เป็นเป็นเหมือนกับเครื่องช่วยช่วยสุดช่วยเดือช่วยกระเสื่ดังใ้การภาวนาเวลเข้มข้นขนกปฏิบัติบบอย่างต่อเ น, นี่อเพราะเวลาที่ อ, อาหมานี้จะมาทาสบา ย, บา ย, บายๆเฉยไม่ได้เพราะท้องท้องมันร้องอีกระอกเล่ทุกวันภาวนามันปรขขนากฏน การทุกวัฒนาที่มันดนับไม่ได้อยู่ที่ายวาัฒนาคือความขาดอาหารใจอยู่ที่จิตที่ปรุงแต่งคิดแต่เรื่องอาหารตัวนั้นนำท ร, รมารใจมากแต่ถ้าเรารู้ว่าวิธีจะดับความท ร, รมารใจนี้ก็คือภาวนาต้องมีสติให้ยืนก็ ตายก็ดูอยู่กับทุกข์เนก็ดูอยู่กระวมหายใจเขาออกก็ดีไม่อยู่กับการจำลองกรรมฐานอย่างไรอย่างนใดการพิจารณาความเป็นปฏิพิณของอาหารก็ช่วยได้ถ้าเราพิจารณาความเป็นปฏิพิณมันก็หยุดตรงได้เราเห็นว่าสภาพของอาหารที่เราฝันถึงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝัน เวลามันเข้าไปในปากแล้วเข้าไปในท้องแล้วมันเป็นอีกอย่างความหิวที่เกิดจากจิตเนี่ยก็หายไปได้หมดเลยก็จะเหลือแต่ความหิวเพียงเล็กน้อยที่เกิดจากความอ่อนเพลียทางร่างกายซึ่งมันเป็นพื้นๆ ข, ของมันมันไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนกับเป็นคอนที่พอยกระ ท, ทุ้ทุกจิตใจของเราเหมือนกับความคิดโกรธ เวลาที่ผิวยอวกรุงคิดกุอาหารมันทรมานาที่กัรเหมือนกับเอาคว้านแบบทุบตีก็เลยเห็นคุณค่าตรงที่ว่ามันทำให้เราต้องทำความเครียดต้องนั่งสมาธิ่ลังจากสมาธิก็เดินจริงลมต่อคือไม่ให้ใจมีเวลาว่างไปคิดเรื่องอาหารเลยเวลานั่งไปพอจิตสงบ คามหิมันก็หายไปาะผิดไม่ได้มีไม่ได้คิดตรงเรื่องอาหารแต่พอสักระยะหนึ่งคางสมสงบนั้นค่อยจางไปความคิดตรงก็เข้ามาต่อถ้าเราไม่ควบคุมไม่เอามาพิจารณาทางด้านธรรมะเดี๋ยวมันก็จะวิพากษ์ิดารณ์อาหารก็จะเกิดควางหิวขึ้นมาก็ต้องภาวนาเพราะมัน ถ้าปล่อยไว้นะ้ามันทรามานมันทุกข์มากก็ปล่อยมันไม่ได้จึงเป็นเห็นให้เราไ ด, ได้ภาวนาอย่างอางต่อเนื่องแล้วเห็นเห็นความแตกต่างระหว่ า, างการเวลาอดกับเวลาที่ไม่บด ว, วันไหนที่วันไนที่หลังจากอดอาหารแล้วก็กลับไปฉันเพราะวันนั้นฉันใสแล้วไม่ได้คิดถึงอะไรคิดถึงหมอนก่อนตามาัตรไม่ได้ภาวนาภาวนาก็หลับ นั่งภาวนามันก็จะหลับเวลาฉันอาหารเสร็จแล้วมันจะง่วงเหงาของเราเป็นธรรมดาถ้าจะพวนาก็ต้องเดินตรงคงแทนไม่นั่งไม่ได้นั่งก็ต้องหลับคันทีแล้วมันจะไม่ค่อยมีตัวคอยกระตุน้นคือมันไม่มีความทุกข์ทางด้านจิตใจกไ็ได้รับอาหารพอเพียงแล้วจิตมันก็ไม่คิดไม่เกี่งเรื่องอาหารมันก็ไม่มีความทุกขทางด้านจิตใจมันก็เลยไม่ได้ มีตัวมันกระตุ้นให้เรามาคอยภาวนาคอยคอยดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความทุกข์ุกข์พอไม่ได้ขันทั้งสองคพอจับไม่ขันทั้งสองสัมวันแล้วก็เห็นว่าไม่ได้ท่าแล้วไม่ไม่ขยับไม่ภาวนาท่าที่ควรก็ต้องกลับไปออกสลับกันใจอย่างนี้อดอดอดสามวันห้าวันแล้วก็กลับมาขันสองสามวัน น่ากลับไปอดนอนนอนหลับกันไปแต่องค์ท่านก็มีมีการอดที่ไม่เหมือนกันบางท่านนี่ท่านจะถือเป็นเหมือนกับเป็นธรรมเนียมพอทราบพรรษากรั้งนี้ท่านจะต้องอดสามสิบวันแต่ท่านก็ไม่ได้อดแต่ว่าไม่มีอะไรฉันเลยในบ้านท่านก็มีพวกน้ำปานะนอยู่น้ำพึ่ง น, น้ำอ้อย อะไรอนีหรือหนะ้าในตอนเช้าบางทีก็มีพระที่ท่านไปยินกระบาดกลับมาท่านก็เก็บพวกนมกล่องมาฝากก็พอฉันได้ถ้าฉันก่อนตอนเทนแล้วก็ฉันัางเดียวก็ยังถือว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ถึกแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยของครูบาอาจารย์ท่านว่าท่านไมู่ีของทวกนี้เลยก็ยต้องอยู่ในป่า ถ้าอดก็อ ด, อดจริ ง, รงมีแต่น้ําอย่างเดียวหรือใบบ่ายไปไปก็อาจจะมีน้ำนป่าในบ้านแต่ถ้าเป็นอยู่องเดียวก็คงจะไม่มีถ้าไปที่อรงมีองเดวก็มีแต่น้ำอย่างเดียวแ ต, แต่ถ้าอยู่ในสมนะ ก, กับครูบาาจารย์สมัยกอ่อนมันไม่มีความพร้อมเพียงอย่างสมัยนี้ท่านบอกว่าแม้แต่ภาพของโอมานตีนโกโ ก, โกโ้ลมยังไม่มีให้ดูเลย แล้วจะมีของจริงมาให้ถึงแล้วใั่ไหันสมัยประมาณสงครามโลกขั้นที่สองนั้นมันก็อยู่ที่การเจริญสติเป็นหลักการภาวนาการเจริญสติจะนำายสู่อการควาสมสงบแล้วก็นำไปสิงการเจริญปัญญาต่อไป เึ้น อ, อยู่กับกรรมฐานที่เราใช้ถ้าเราใช้พุโทโธพุธโทโธไปนี่จะเป็นกรรมฐานเพื่อความสงบจะได้จิตที่สงบแต่จะไม่ได้ปัญญาแต่ถ้าเราจะมากรรมฐานด้วยการพิจารณาอาการการคิดสองก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาจะเห็นความไม่เสียงานของร่างกาย มีมีซ่อนอยู่ที่มีซ้อนซ้อนอยู่ยใต้ใต้ผิวหนังส่วนใ่ส่วนใหญ่เราจะเห็นเพียงแต่อาการห้าส่วนคือผม ข, ขนและควาหนแล้วก็ไม่ได้เห็นแบบกรรมฐานเห็น เราเห็นแบบความหลงของเห็นว่าสวยว่างามแต่ท่านพิจารณาจะาชิ้นแต่ส่วนเช่นพิจารณาผมก็เห็นว่าผมนี่มันก็ไม่สวยอะไรถ้ามันหล่นลงไปบนบนดินก็ไม่มีใครอยากจะหยิบขึ้นมาถ้าหล่ลงไปในอาหารก็ทําให้อาหารไม่น่ารับประทาน แล้วต่อไปมันก็จะไม่ได้เป็นอย่างที่มันเป็นอยู่จากสีดำก็จะกลายเป็นสีขาวไปแล้วก็จะลุกโง่ออกจากสีกะไปเรื่อยๆจนสีกะจะไม่มีผมลงเนืออีกแล้วก็จะเห็นควา ม, มนุ่ของของของของขมหนังก็เท่นเดียวกันพิจารณาดูก็จะเห็นว่ามันเป็น แผนบางๆที่มันคลุมหกคลุมเนื้อหนังไว้ถ้าหนังมันถ้ารอบหนังออกมาแล้วจะคอร์สจะไม่น่าดีนี่คือาการพิจารณาแบบกรรมฐันก็จะเห็นสิ่งที่มันไม่เสวยงานที่มันรอบไม่ดี การพิจารณาร่างกายก็พิจารณาได้หลายลักษณะนี้ครับอาการทางอุจจาระที่ว่าก็จเป็นลักษณะนี้หรือถ้ายังไม่ถึงท่านที่จะพิ จ, พจารณาอาการสางอุก็พิจารณาถึงสภาพของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็ได้พิจารณาว่าวันวันหนึ่งเราก็แปรลงไปเรื่อยทุกวันทุกเวลาทุกขณะร่างกายนี้ก็จะแปรลงไปเรื่อย ถ้าเราดูภาพของเราเมื่อภาตีก่อนกบนับบนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างาว่าเราแก่ลงไปเรื่อๆแต่มันไม่ได้แก่แบบทันทีทันใดมันก็แค่แก่มันก็แค่ ข, แค ข, ขยับไปเรื่อยๆเราก็ต้องพิจารณาไปอยนี้พิจารณาไปว่าชั่งวันหนึ่งเราต้องอายหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเราก็ต้องเจ็บไายได้ปวด ในโลกภัยเด็กเดือนแล้วในที่สุดเราก็จะต้องอยุดหายจากร่างกายก็เป็นทาปลดปล่อยพิจารณาแบบไ ป, ปรนนนเรื่อเรๆแล้วจิตจะได้ปล่อยวางได้ได้ไม่หลงยึดติดกับร่างกายการปล่อยวางก็คือการยอมรับความจริงนั่นเองายอมรับมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติ เวลาที่เรารับความจริงกับอะไรได้แล้วความจริงนั้นจะไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเรารู้ว่ามีคนเขาจะมาถ่วงนิ้แล้วเราต้องใช้เขาเราก็ต้องเตรียเมเงินไว้ให้เขาเวลาเข้ามาเอาไปเราก็ให้เขาไปเราก็ไม่ได้เสียใจเสียเวลา ถ้เ ร, เรารู้ว่าถ้าเราให้เขาเพราะอาจจะค่าเราก็ได้เราก็ยอมเสียเสียส่วนน้อยเพ่อรักษาส่วนใหญ่แล้วคือคนเราถ้ายอมทุกอย่างแล้วยอมรับความจริงทุกอย่างแล้วไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นจะไม่เสียด่าจะไม่เสียใจจะไม่ทุกข์ใจถ้าเตรียมตัวเตรียมใจนั้นก่อนแล้วพรู้ว่าจะต้องถูกก็ไล่ออกจากงาน ถ้าเตรียมตัวเตียนใจไว้ก่อนพอถึงวันที่เขาให้ออกเราก็ไม่เดือดร้อนอะไราะยังไงยังไงเราก็รู้ว่าเขาไม่ให้เราอยู่แน่นอนไปร้องหืมร้งองห้างไปเสีอดเสียใจก็ไม่ได้เกลี่ยนความความจริงนั้นได้แต่ใจเมื่อยอมรับความจริงแล้วจ ะ, จะรเริ่มสดชื่น ใจยอมรับได้ก็ต่อเมื่อเราคิดไว้โน่งหน้าก่อนแร้วพิจารณาไว้เรื่อยๆพิดเรจาดูแล้วก็รู้ว่ามันไม่มีทางอื่นมันต้องเป็นทางนี้ถ้อตามความจริงแล้วใจมันไม่ได้ถ้ามันไม่ได้ยึดไม่ได้ติดกับอะไรแล้วมันไม่ได้มันไม่เสีย อ, อกเสีใจเวลาคนอื่นเขาตกงานเราก็ไม่ได้เสีย อ, อกเสใจเป็นกั เวลาคนอื่นเขสูญเสียอะไรเราก็ไม่ได้เสียเสียใจเลยครับเพราะเราไม่ได้ไปยึดไปติดว่าของที่ต้องสูญเสียใจนั้นเป็นของเราเป็นของเขาของที่เขาเสียกับของที่เราเสียมันก็เป็นของชนิดเดียวกันคุณรถจะรถคันเดียวกันเงินทองก็เงินทองเหมือนกันมันก็เป็นเพียงกระดาษเงินทองเป็นกระดาษ ถ้าเราไม่เอาไปซื้อข้าวซื้อของเอาไปใช้าเรามันก็เป็นกระดาษถ้าเราเสียกระดาษาเราเป็นเสียเสีย ไ, ได้เลยถ้าเราไม่ยึดติดกับสห่งต่างๆไม่อาศัยสิ่งต่างๆให้ความสุขกับเราถ้าเรามีความสุขในตัวเราแล้วเล้วถ้าเรามีควาสมสงบในจิตแล้ว เงินทองต่างๆสินทรองย์ต่งงางๆนั้นไม่ไม่มีความอะไรมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะให้ความสุขกับเด็กเพราะมันไม่ได้สุขท่าทุกข์ควรมันทุกข์มากกว่าสุขเพราะถ้าเราเพิ่ง อ, อาศัยสิ่งแง่สิ่งนี้ใหความสุขมันก็ให้ความทุกข์กับเราคือเราต้องอาศัยใหม่ เราต้องกังวลว่ามันจะมีให้เราให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆหรือเปล่ามันก็เกิดความกังวลเกิดความไม่แน่นอนอยู่ในจิตใจแล้วเวลาที่มันไปดีรึงๆที่หมดเงินหมดทอไปเที่ยวไม่ได้แล้วอยากจะไป่ื้ของอะไรก็ซื้ไม่ได้มันก็จะทุกข์ใจ แต่ถ้าเราไม่ได้อาศัยเงินทองไม่ซื้อของซื้ออะไรที่มันไม่จำเป็นไม่มีมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่ได้ไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ชุดหนึ่งก็ไม่เดือดร้อนอะไรซื้อรองเท้าใหม่คู่หนึ่งก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะของก่าก็มีเหลือเกิอยู่แล้วไม่ใช้อยู่แล้วปัญหาก็คือจิตของเราไม่สุบนั่นเอง เมื่อติตไม่สงบมันก็ปล่อยให้ความหลงออกทํางานความหลงก็จะคิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีน่าจะหามาไว้ให้ความศักดิ์สิทธิเกิดความหยาดเกิดความอยากายา ก, ายาก็อยู่เฉยๆไม่ได้ก็ต้องไปหาหาก็ต้องหาเงินหาทองต้องพู้งพาเงินทองไว้ซื้อความสักด แานที่จะอาศัยธรรมะคือสติเป็นเครื่องหาหาความสุขให้กับเราเราก็ไปขึ่งสู่ภายนอกที่มันไม่แน่แน่เงินทองมันเป็นของไม่แน่แน่จะได้มาก็แสงจะรำบานได้มาแล้วก็อยู่เดียเดียวก็หมดไปแล้วพอใช้ปป๊บเดียวมันก็หมด่หาความสุข ที่เกิดจากการเจริญสติไม่ได้เพราะสตินี้เราสามารถเจริญได้ตลอดเวลาไม่ต้องซื้อสติเงนินจะซื้อไม่ได้ด้วยมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ซื้อสติไม่ได้ธรรมะนี้ให้ความเสมอภาคกับคนทุกคนไม่ว่ารวยหรือจนรวยก็ปฏิบัติได้จนก็ปฏิบัติได้ แต่เอาเงินมาซื้อสติไม่ได้ซื้อสมาธิไม่ได้ซื้อปัญญาไม่ได้ <c oughs> ที่คนรวยทำงานทาบุญคือให้ทานมากก่าเราได้นั่นเป็นเพราะว่าเขาต้องให้มากกว่าเพราะเขารู้มากกว่าเพราะถ้าเขาไม่ให้เขาไม่ะละเขาก็จะทุกข์กับเงิ น, อ น, น <c oughs> ทองกการทําบุญให้ทานนั้นเป็นอุบายเพื่อปลดวางทานเอง ไม่ได้หมายความว่าให้ไปหาเงินทองมาเยอะๆเพื่อมาทำดีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปหาทำเท่าที่เรามีเพราะมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในการปฏิบัติเป็นการคล้ายๆปลดเพื้อให้เราได้ก้าวผ่านเงินทองนี้ต่อถ้าเราไม่ให้เราก็จะมีแต่ความกังวลยึดติดอยู่กับเงินทอง ก็จะคอยเสียเวลากับการดูแลรักษาเงินทองแล้วก็หาเพิ่มขึ้นมาจนทำให้ไม่สามารถไปรักษาสีนไปภาวนาต่อได้แต่ถ้าเรามีเงินทองเกินกว่าที่เรามีอยู่แล้วเราก็ตัดไปปล่อยจากไปปล่อยวางมันเก็บไว้เท่าที่จาเป็นที่เราจะต้องอาศัยใช้ เราจะได้มีเวลาไปทําบุญท่นานต่อไปโดยกาะรักษาศีลไปไปภาวานาได้แห่งการการมีงานทำมากๆอยบาอย่ไปคิดว่าจะมีบุญมากเพราะบุญที่เกิดจากการให้ทานนี้มันเป็นบุญขั้นต่ำบุญที่สูงกว่าบุญการรักษาการให้ทานก็คือการรักษาศีลการรักษาศีลมิจําเป็นจะต้องมีองนันก็ ร, รักษาได้ อั น, นิสงส์ของศีลนี่สูงกว่าทานทานทำให้เรามีเงินมีทองมีความสุขความสบายเวลาที่เราไปเกิดในครบต่อไปจะไม่อดอยากขาดแคลนแต่ทานนี้ไม่สามารถส่งให้เราไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพมนุษเป็นอะไรได้ถ้าเราไม่รักษาศีลถ้าทาบุญทาทานแล้วแต่ทำผิดศีลผิดธรรม โอหกหลอกลวงยังชอบโ ก, ย ง, กงยังประพฤติผิดประเวณียังฆ่าสัตวัดชีวิตเวลาตายไปนี้ไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเทพไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลอย่างมากก็ได้เกิดเป็นสัตว์ที่มีความสวยงามเป็นนกสวยงามเป็นสุนัขที่สวยงามแล้วคนมีสตาลเอาไปซื้อเอาไปเลี้ยงเป็นลูก เหมือนเป็นูบางคนทอมมีเงินแต่ไม่มีลูกก็เลยซื้อหมามาเป็นลูกแทนเลี้ยงหมาหมันก็นเลี้ยงลูกหมาตัวนั้นก็เคยทําทานมาเยอะแต่ไม่ได้รักษาศีลก็เลยได้เกิดเป็นหมาที่เสีือยยากแต่คนที่รักษาศีลถึงแม้จะไม่ได้ทําทานเลย หรือทำตามทำเท่าที่ตามนิการเกิดเขาก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทเสเป็นพรต่อไปได้เพื่อต้องมีศีลเปลงตัวผ่าไปที่เลนะสุคติญาณติในท้ายศีลเวลาที่พระท่านให้เราขอศีเลเสร็จแล้วท่านบที่เลยนะสิุคติญาติศีลเป็นเหตุที่ทาให้ไปสึ่สุคติ สุคติว่าพรของมนุษย์ของเทพของโสมของพระ อ, อริยะบุคคลเป็นเป็นเป็นตัดเจื้องต้นสายไม่ไม่ใช่ทั้งหมดคือถ้าจะไปสูงกว่าเป็นมนุษย์นี้กว่าเทพจะต้องมีสมาธิถ้าจะไปเป็นคสมน้จิตจะต้องมีมีสมาธิและถ้าจะบรรลุเป็นธาตุอาริยะบุคคลก็จะต้องมีวิปัสสนา ต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นในใจรักเห็นในอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางได้เช่นที่เราพิจารณาร่างกายเห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีการแก่การเจ็บการเสืบ อ, อ่านไปเห็นว่าเป็นเพียงดินน้ำหมุนไปมาจากธาตุดินน้ำหมุนไปถ้าเห็นชัดเจนแร ง, งไม่มีอะไรสงสัยในจิตใจแล้วจิตก็จะปล่อยร่างกาย จะเห็นร่างกายเป็นเหมือนกับขวดน้ำํำแก้วน้ำเหมือนเป็นเหมือนวัตถุชิ้นหนึ่งจะไม่ยึดติดว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็ของเราต่างจะไม่ได้อยากจะให้มันอยู่ไปตลอดหรือว่ามันสักวันนึงมันก็จะต้องเสื่อมต้องเสียต้องตายไปแต่เมื่อปล่อยวางแล้วมันก็จะไม่นคือนี่คือการเจริญวิปัสสนา เพื่อที่จะได้ไหววางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นใ้จิ่นต่างๆว่าเป็นตัวเป็นตัวว่าเป็นเราเป็นของเรานี่คือคือเป็นธรรมะขั้นสูงขึ้นไปจากสีก็ต้องเข้าสู่มสมาธิจากสมาธิก็เข้าสี่ปิพพานเข้าสู่ปัญญาเพื่อไปสู่การหลุดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ ที่เกิดจากาจการยึดติดกับสิ่งต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลเก็บเลื่อนกับการทำทานให้มากเกินไปบางคนมาบวนให้ฟังว่าเวลาไปกราบหลวงตาเห็นคนห้สวายทองกันเยอะๆไม่หนดแต่ตัวเองไม่มีปัญญาที่จะไปทองถวาก็น้อย อ, อกน้อยใจ เราไม่ต้องหรอกมันทำไปตามฐานะของเราถ้าเรามีเราก็ทําไปถ้าเราไม่มีเราก็มีบุญที่สูงกว่านั้นที่ดีกว่านั้นเองเพียงแต่รักษาศีลเขาบอกก็รักษาศีลไม่ได้เพราะเพราะพยายามจะไปทำเงนินหาเ ง, งินมาทำเองเนี่ย <c oughs> ี่แสดงว่าติดอยู่ในการขั้นทางเพราะเราไม่สามารถก้าวขึ้นสูง ทำที่เสื่อมกว่าการให้ทำได้แต่ถ้าเราเพียงแต่ให้ตามฐานะของเราเรามีมากน้อยเพียงไรเรวก็ให้ตท่านั้นเพราะเราไม่ต้องการกลับมาเกิดอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องมากลับมารวยเพราะกลับมนรวยแล้วไม่ดีรวยแล้วมันปล่อยยากมันตรงยากออกปฏิบัติยากมันจะติดไปอีกนานถ้าเกิดมาแล้วจนก็ดูครูบาอาจารย์ท่านเป็นคนยากคนเท่านั้น ยังลูกชาวนาชา ว, วไร่ไม่มีเงินไม่มีทองเงินพวกเราถ้าเห็นออกหยุดกันได้ง่ายปฏิบัติกันได้ง่ายเพราะเราเกิดมาบงกองสมบัติของเงินทองสุดสบายกันพอจะไปอยู่ถือถินแตะก็อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้ไม่มีห้องแอร์ไม่มีอาหารเย็นรับประทานไม่มีคู่นอนก็เรยติดอยู่กับ การทำทานกับการรักษาสิ่งคือรักษาสิ่ได้บ้างไม่ได้บ้างมากน้อยก็ขึ้นอยู่ถ้ารักษามากได้มากก็ได้กลับมาเกิดเกิดเป็นมนุษย์บ่อยขึ้นถ้ารักษาได้น้อยก็กลับมาเกิดได้น้อยลงไปแต่อย่างน้อยเกิดแล้วก็สบายคือพอมีพอกินอย่างน้อยก็มีกินเหลือกินเหลือใช้ไม่เดือดร้อนเพราะเราติดในการให้ทานกัน เราชอบให้ทำแต่เราก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่จะไปถึงไหนขี่ปบุี่ชาติเจ้าพระพุทธเจ้ากี่องค์ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเดินครูบาอาจารย์ขี่องค์ก็ทำบุญกับท่านไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าไปไม่ขยับขึ้นไปสูการรักษาศีลไม่สู่การภาวนาไม่ดูท่านเป็นตัวอย่างครูบาอาจารย์ท่าน ท่าภาวนาการท่านมีศีลกันเรากลับไม่คิดอย่างนั้นเราคิดเพียงแต่ว่าอยากจะทํทาบุญทำทานนะครับเพราะได้บุญเยอะคิดแค่นั้นเองยังการทำบุญให้ทางเป็นการตดเลื่องเงินทองที่มันเหลือเกินความ เ, มเป็นเพื่อให้เราไม่ไปยึดไปติดกับมันเราจะได้ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวายใจไม่ต้องเสีย อ, อกเสียใจ คนที่เคยทำบุญอยู่เป็นประจำเวลาเกิดเงินทองหายไปหมดเนื้อหมดตัวไปอาจารยไม่เข้ารู้สึกทุกเท่าไร<ม>ไม่เหมือนกับคนที่ไม่เคยไม่ชอบให้บุญไม่ชอบให้ทานไม่ชอบทำบุญเวลาเงินหายไปแค่ห้าบาทสิบาทก็จะวุ่นวายโกรธแค้นโกรธเคืองใครมาขโมยเงินของเราไปแต่ถ้าเคยทำอยู่เรื่อยๆเราคิดว่าอะ ถ้าเป็นการทําบุญทําทานแต่บุไม่ต้องเสียเวลาไปวัดมีคนมารับบริจาคถึงบ้านเราเลยเ <c oughs> พราะเราก็ไม่ได้อาศัยเราก็ไม่ได้อาศัยเงินก้อนนั้นอยู่แล้ว <c oughs> งั้นก็อย่าไปกังวล น, นะเรื่องการทําบุญทำทานทำไปถ้ามีมากก็ควรทํามากถ้ามีม้อยก็ทำทน้ายก็ทําไปตามกํำลังใจอยากไป หาเงินหาทองมาเพื่อที่จะเอามาทาํทางินทำทองเราก็ทํางานของเราไปถ้าเป็นวาสนาของเราเกิดมันรวยขึ้นมาเราก็เอาไปเอาไปทำเงินได้แต่ถ้ามันไม่รวยมันพอมีพอกินชั้นหน้าไม่ถึงหลังก็ต้องอยู่ไปตามอัตภาพของเราแล้วก็หันมารักษาสีกันแล้วก็มาภาวนามาเจริญสติสติที่เราสามารถเจริญได้ ทุกเวลาทุกสถานที่นม่จําเป็นว่าจะต้องไปวัดถึงจะแสดได้นแล้วเราเตินขึ้นมาก่อนจะลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็ตั้งสติก่อนเนะี่ยทำให้ความรู้สึตัวว่าเรากําลังจะทําอะไรต่อไปแล้วก็เข้าดูกับการกระทํางนั้นอยากจะคิดออก ล, ลุกขึ้นมาจะเดินเข้าห้องน้านํา ก, ากา็เข้าเดินไปกับร่างกายเข้าจิตไปกับร่างกายเหมือนกับปัญญามร่างกายนี้เป็นเหมือนกับนักโทษ เนจิดนี่เป็นเหมือนอยางอคอยเข้านักโทษนะนักโทษอยากจะขออนุญาตไปห้องน้ําก็ต้องไปห้องน้ํากับนักโทษนักโทษจะทกจะเดินจะต้องเดินของนักโทษจะทําอะไรก็ให้อยู่ติดกับร่างกายถ้าอย่างนี้แล้วต่อไปจะมีสติอยู่อยู่กับตัวอีู่ตลอดเวลาแล้วพอจะให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธมันก็จะอยู่กับพุโทโธมันจะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่ถ้าเรามีความจำเว็นจะต้องคิดอะไรเราก็คิดไปแล้วหยุดทำอย่างอื่นไปก่อนนั่งลงรนิ่งๆเฉยๆแล้วก็คิดไปนาคิดไปให้อพอเพราะวันนี้จะต้องทําอะไรบ้างเมื่อคิดเรียบร้อยแล้วก็หยุดคิดแล้วกลับมาทำอย่างอื่นต่อไปถ้าต้องใจนี้นแต่งตัวเตรียมตัวออกจากบ้านก็อยู่กับการตั้งใจแต่ง ต, ตัวพอออกจากบ้านก็อยู่ก็มีสติอยู่ ออกจากบ้านเจอถือกุญแจไปด้วยล็อกประตูก็มีสติรู้อยู่บางทีถ้าไม่มีสติไปจากปลายบ้านออกจากบ้านไปแล้วยังมาคิดทีหลังว่ามีที่ใส่กุญแจไห้เป่าก็ต้องเดินกลับมาน่าเสดงว่าไม่มีสติแต่ถ้ามีสติแล้วไม่ต้องเดินกลับมามีความมั่นใจว่าได้ทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว นี่คือการฝึกสติเราสามารถทําได้ในชีวิตประจํำวันของเราถ้าทําอย่างนี้แล้วพอเวลาที่เรามีเวลวาว่างแม้ขณะมาที่ที่อยู่ที่ทํางานช่วงหยุดพักกลางวันถ้าหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วเราหามุมสงบที่ไหนเราก็นั่งกําหนดษะพุโทโธพุทโธดูลมหายใจเขาออกไปของเราเราก็ได้ภาวนานได้ ถ้าภาวนาเปแล้วคนเรานี้สามารถภาวนาได้มีโยมคนหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเขาเวลาทำ ง, งานเขาก็ทำอย่างนี้นเขามีสติอยู่กับการณกระทําของทาเวลาเดินไปไหนมาไหนเขาก็าคิดว่าเหมือนกับเดินโคมกลมไปเขามีสติอยู่กับการเดินโดยภาวนาโดย ก, กรรมพุทโธพุทโธควบคู่ไปกับการเด่น การทีจะไปคิดเรื่องคนนั่นเรื่องคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นนก็ไม่คิดให้เสียเวลาจิตก็มีความสงบอยู่ตลอดหรือแม้จะไม่สงบแบบรวมลงแต่มันก็ไม่ขุ้นใต้มันจะมีความหลักแน่นมีความความสงบมีเหตุมีผลจะไม่ค่อยมีอารมณ์ต่างๆความโลภโมโหต่างๆมันจะเบาบางลงไป เวลาสัมผัสได้ยินหรือเห็นอะไรก็จะไม่เกิดความโมโหโทเสืเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเพริะจิตมันมีสติถอยคุนแต่ถ้าไม่มีสติแล้วมันจะเป็นแบบนุ่นเวลาอะไรมาลมเบาๆแถวมาก็จะปลิวไปนะหายคู่อะไรนิดหนึ่งก็ไปแล้วเสียใ <c oughs> จโกรธดีเ ด, ดียวดีใจ สายตามาเร็วแต่ถ้ามีสติแล้วจะมีเหตุมีผลถ้าถ้ารู้จักเจริญปัญญานี่จะเป็นคนหนักแน่นใครจะพูดอะไรมีปัญญาพิจารณาแ ล, แล้วจะไม่ไม่มีอารมณ์กับสิที่ได้ยินแม้จะลง็นคำดุด่าว่ากับก็ตามจะฟังที่เหตุผลของคําพูดของคนว่า มีเหตุมีผลมีความเป็นจริงอห่ถ้าตำหนิดเราแล้วเห็นที่เขาตำหนิเป็นความจริงเราก็ต้องขอบขอกขอบใจ ท, ทั้งคู่เพราะเขาช่วยเขาเหมือนกับเป็นผู้ที่ซับให้เราเห็ น, นหมือนกระจกสองหน้าเราอยากจะรู้ว่าหน้าตาเราเรียบร้อยหรือไม่เราก็ต้องอาศัยกระจกถ้าเราแต่งหน้าโดยไม่มีกระจกเราก็ไม่มีความมั่นใจ ถ้าคนอ่นเขามาบอกว่าเนี่ยคิ้วทางถูกหรือปากทามแล้มันเบี้ยวหรือมันเละเทะเราไม่ควรจะไปต่อเขาใช่ไหมพอเลาไปตองคดูก็ะจกแล้วเออจริงอย่างที่เขาบอกเราก็น่าจะขอบคุณเขาอย่างใดถ้าเขาว่าเราขี้เกียจเห็นแต่ตัวมักง่ายบื้อบื้อก็อย่าไปกรธเขา ฉันมาพิจงงารณาดูในตัวเราก่อนว่าเป็นอย่างที่เขาพูดถรืป่าถ้าเป็นเราจะได้แก้ไขเพราะเมื่อเราแก้ไขแนละ้วใครจะได้รับประโยชน์ถ้าไม่ใช่ตัวเราคนที่เขาตำหนิเราเขาไม่ได้ประโยชน์จากการตำหนิคือถ้าเขาพูดแล้วมันไม่เป็นความจริงเราก็รู้ว่าไอ้คนนั้นมันตามบอกพูดด้วยความอารมณ์พูดด้วยอารมณ์ พูดด้วยความโตพวดด้วยความเกลียดก็เห็นจำเป็นจะต้องไปฟังแต่เมื่อเราไม่ได้ซื่อดื้ออย่างที่เขาพูดเมื่อเราไม่ ม, มักง่ายอย่างที่เขาพูดเราไม่ได้เกลียดทานอย่างที่เขาพูดเราก็เห็นมีอะไรจะต้องเสียหายในการไปอยู่กับครูบาอาจารย์ก็อยู่อย่างเนี้เราจะไม่กลัวท่านจะมาพูดอะไรจะตั้งใจฟังแต่คนส่วนใหญ่มักจะไปอยู่แต่อยากให้ท่านรักอยากจะให้เมตตา พอท่านด่านี้ท่านว่านีหาว่าท่านไม่เมตตาแต่ความจริงพราะความเมตตา้นห่ยถึงว่าเราถ้าไม่มถ้าไม่ว่าเรานี่แหละถึงแสดงว่าไม่เมตตาเห็นว่าเราผิดแล้วไม่ช่วยแกไขไม่ช่วยเปลี่ยนเรางั้นถ้าอยากจะปฏิบัติทรรนี้องมีอยากจะมีครูบาอาจารย์ต้องกล้าต้องมีสติต้องมีปัญญาอาจารย์าาจะดูดา่าว่าสาวเรื่องต่ง ไม่มีจิต ท, ที่จะไ ป, ประดงมีปฏิปิรียาอะไรทั้งสิ้นแค่นี้เหมือนเห็นเลยความอย่างเดียวแล้วก็เอาไปพิจารณาถ้าสิ่งที่ท่านพูดนี้มันจริงก็ต้องรีบแก้ไขอย่าให้ท่านว่าท่าสอได้เป็นดีเพราะถ้าท่านตั้งว่าท่านสองท่านสามแสดงว่าเรานี้ไม่ได้เรื่องเป็นคนที่สั่งสอนยากว่านอนสายยาก โอกาสที่เราจะเจริญจะพัฒนาก็จะมากเพราะเรายัางมีทิฏิยังยึดยังลืมลึกถ้าไม่มีทิฏิก็มีความโง่ตรงนี้สามารถมองเห็นความผิดของตนเองแล้วแก้ไขปรับจริงตนเองได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติและมีปัญญาแล้วการดำเนินชีวิตของเรานี้จะเป็นเพื่อโยชน์ ทางด้านธรรมะเอาอะไรยังไม่สนใจกับคการสรรเสริญเมียวจะจริงหรือไม่จริงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะถ้าเาราสระเสริญในสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็เป็นจริงของเราอยู่แล้วไม่เห็นมีใครจะเป็นเลยต้องให้ใครมาบอกเราว่าเราดีอย่างนั้นพิเศษนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราดี <laughs> เราวิเศษอย่างนี้ถ้าเรามาสรรเสริญในสิ่งที่เราไม่มีมันก็ไม่ได้ทําให้เราวิเศษ ขึ้นมาได้จากการทำสราเิญั้นทำสรรเสริญเย่ยงเยสำหรับนักตรายุสำหรับคนที่มีสติปัญญาแล้วไม่มีความหนักในในสังคมของนักตรายเขาจึงไม่ค่อยชมกันมีแตงในสังคมของคนโง่ที่ชอบชมกันยกย่องสรรเสริญกันให้รังวี่รังวัลกันตบไม้ตบมือกันทังั้งที่คนที่ อยู่ในสถานที่นั้นบางทีก็ยังสงสัยว่ามันได้รางวัลได้อย่างไรว <c> อ <oughs> นนี้พูดตลกไหมยังไง <c oughs> ก็สรุปก็ขอให้พยายามฝึกตัง้งสติไว้ให้ดี เพรมีสติแนละ้วมันจะพาเราไปสู่การกระทําที่ดีละรักษาสิ่ได้ดีขึ้นจะมีสมาี่จะมีปัญญาจะคิดด้วยเหตุไม่ถึงแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์ต่างๆเราเป็นคนสร้างเองที่ล้วทำไมคนอื่นเขาไม่ทุกข์แล้วเราต้องทุกข์ครูบาอาจารย์ก็ไม่ทุกข์เราเราต้องทุกข์ ก็อยู่ในโลกเดียวกันเจออะไรก็เจอแบบเดียวกันแต่ท่านไม่ทุกข์แต่เราทุกข์เพราะเราโม้ <c oughs> เราชอบสร้างความทุกข์ให้ทุกตัวเราแต่ท่านฉลาดท่านมีสติมีปัญญามีสมาธิท่านจึงดับความทุกข์ท่านไม่สร้างความทุกข์ในในจิตในใจของท่านท่านสร้างแต่ความทุขด้วยการปล่อยวาง ฉันต้องพยายามเจริญสติให้เรื่อยๆค่อยๆอยู่เรื่อยๆไม่ต้องรอไปถึงวัดค่อยๆไปจเจริญเจริญด้ทุกขณะทุกเวลาทุกสถานที่ตอนนี้มีหน้าม า, มาหลายคนเด็กๆเด็เป็นคนละกวกกันม็กๆเด็กามด็กๆเด็มาเดด ลกูเอาเออปิติที่เป็นปัชโนนี่มันต่างกับปิติธรรมาเลยปิิที่เป็นวิปัสนาคาว่าวิปัสนาเนี่ยท่านหมายถึงมันความความหลงเนคือทิารนาไปแล้วที่ว่าตนเองมนุษย์กอาจจะเกิดบุกิแบบหลอกๆก็นด้ แต่มันไม่ไม่ไ ม, ไม่มันไม่ใช่เป็นวิบากธนาเพราะมันเป็นความจินตนาการอยู่ในจิตยังไม่ได้ไปเจอของจริงยังก็ได้ไปพิสูจน์กับของจริงถ้าไปเจอพิสูจน์ไปเจอไปเจอของจริงก็อาจจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเกิดความทุกข์ก็จะรู้อย่างอลาห์ไห้มกอุ๋ยบรรลุแล้วก็เป่าลูกหยิบเกิดส ต, ติขึ้นมา พ่านั่งพิจารณาไปแล้วก็แล้วก็สรุปว่าตัวเองได้บรรลุแล้วเป็นการว่าลูกค้าท น, นี้อยากให้พี่แกพิบาลตรงนี้ ก, ก็ดีมีคนถามตำน า, ทานาทำหลวงการคี่เขาปฏิบัติไปจนั่งกระดูกบุอรเลยเป็นตายคือทำลายรูปแล้วหลงตาคัดตอบว่าตรงเมื่อทําลายรูปแล้วเนี่ยติดจะมีความว้าเวียงความกังวลการพิจารณาบลุงาค่ะ ทำไมตรงนั้นเป็นจิตเป็นราอ๋อท่านไม่ได้ถามว่าหรือหมายถึงแบบว่าถ้าเราบางว่าคือมันว่างจากกายไแต้เมันมันปล่อยกายไปแล้วมันก็จะกายก็จะไม่เป็นปัญหาสําหรับจิตเดวงนั้นต่อไปจิตนั้นก็จะว่างจากตายพิจารณาไงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันไม่ได้เป็นปัญหาจิตไม่มีอารมณ์มาเลกับกายนั้นต่อไปไม่ด้านไม่เสียกับกายนั้นเหมือนกับร่างกายของคนอื่น เราไม่เคยคิดถึงร้างกายของคนอื่นเองเขาไปเจ็บจะปวดจะเป็นอะไรเราก็ไม่ได้ไปคิดถึงมันฉันด ร, ร่างกายนี้ขณะที่เรายังไม่ได้พิจารณาเราก็ยังมีความหยงมีความกังวลยังมีความถูกพันกับมันอยู่แต่ถ้าเราพิ จ, จรารณาจนกระทั่งเห็นว่ามันกลายเป็นดินไป แ, แล้วมันก็ไม่รู้จะไปไปห่วงอะไรกับมันไปห่วงอะไรกับก้อนดินก้อนนีนที่สุดมันก็จะต้องเป็นครั้น แล้วจิตในทุกนาจะมันรับได้ยอมรับแล้วก็ปล่อยวางตามความเป็นจริงนะมันก็หมดปัญหาไปมันก็ว่างจากเรื่องของกายอะไรนั่นเองนะครับมันก็ไว้ถ้าบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับกายนั้นเนี่ยก็จะไม่เป็นปัญหาต่อติดใจกัจเลยจิมีความมั่นใจเราไม่มีปัญหาเราทั้งสิ้นแา้วใจเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับมันไม่ใช่ของเราเป็นแล้วปล่อยวางก็แล้วหมดปัญหาก็แล้ว ก็จะเห็นว่าก้าเข้าไปสทึนมามธรรมต่อไปในกาพิจณาไอที่มันยังมีอยู่ในจิตที่ยังมีที่ยังมีความผูกพันอยู่นั่นแสดงว่านี่จะเป็นหนึ่งขอยอดต้องบนอยู่ห้าประการคือค ว, ปปความติดในรูปประชานความติดในลูปประชาน มานะอุทธัจจะแล้จะอวิชานี่เป็นเป็นธรรมขั้นละเอียดที่จะต้องเข้าไปพิจารณากพพิจารณากวคู่ไปกับการเกิดดับของนามทั้งสี่นามขันธ์วยด้วัาสัญญาสังขารทุกอย่างเพราะพวกนี้ก็เกิดจากการปุงแตงของสังขารการจำได้ไมาวิธของสัญญา ทำให้เกิดมีเวทนาสิทธิ์ขึ้นมาทุกเวตนาสุทธิเวทนาไม่สิทไม่ทุกเวทนาขึ้นมามีวิญญาณรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ถ้ามีความหลงก็จะมีความยึดถือถ้าจิตมีความสุขมีความสงบกับรูปประทก็จะติดอยู่ในรูปประทถ้ามีความสุขที่เกิดจากความสงของอารูปประทก็จะติดอยู่กับรูปประทก็จะไม่สนใจที่จะออกมาจะดลองพิจารณา แค่ที่จะทำจัดอวิชาแล้วมาเนะี่ก็ยังมีการถือตรงถือว่าตนสูงกว่าเขาบ้างเท่าเขาบ้างหรือต่ำกว่าเขาบ้างแล้วยังไม่เห็นอวิชาที่ยังไม่เห็นอริยสัที่ยังมีอยู่ในจิตตรงนีน้จิตตรงนั้นยังมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา สลักกันไประวังทุกบ้านทุกว่าพอเวาทุกข์ก็รีบพยายามกําจัดเพื่อให้มันจบเช่นทำเพื่อย่างนั้นก็อยากแสดงว่ายัางสิตในสุขวิธีที่จะหลุดเพ้นก็ต้องปล่อยวางทั้งสุขและทุกข์ที่มีอยู่ในจิตต้องดูด้วยปัญญาต้องให้เห็นว่าสุขที่มีอยู่เช่นสุขที่เกิดจากอรูปฌานหรืออรูปา แต่ที่กิดจากความสงของจิตนั้นก็ยังเป็นอันิี้องไม่เที่ยงเพราะมันยังมีความทุกข์สลับพลอยขึ้นมาอยู่แต่ถ้าไม่คอยสังเกตจะไม่เห็น ก, ก็จะคิดว่าไม่มีความทุกข์เลยอยู่แล้วก็จะก็คิดว่านี่สิ้นสุดได้วขอการปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติตามไปแก็จะติดอยู่ในในในสุดแนั้นผู้รู้ผ่ามทุกพอมีความทุกข์ขึ้นมาก็ นี่เข้สติปัญญาไปไปดักมันไปไปกดมันไว้ไปหยุดมันไว้แต่ไม่ได้พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นสภาวะธรรมมันของคู่กันระหว่างความสุขที่มีอยู่นั้นกับความทุกข์ที่มันปรากฏขึ้นมามันเป็นเหรียญเหรียญเหรียญนันเดียวกันแต่เป็งสองด้านมันสลับกันพลิกพิจิตตานั้นมันจะละเอียดมากมันจะมีความสุขมาก แต่ใความจิดนั้นมันก็จะมีความทุกข์ท่านแสดงว่ามีความผ่องใจมากแต่มันก็มีจุดมี่ห่วอลที่ตรงไหนมีจุดมีต่อมตรงนั้นจะเป็นของพบของชาเพราะจิตยังไปยึดติดอยู่ยังอยากอ ย, กอย่ันมีความอยากที่จะให้มัาสงดอย่างนั้นจุดอย่างนั้นอยู่มันก็เป็นการยึดติด มีปัญหาถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นในจิตอาจารย์ว่าต้องพิจารณาว่ามันเป็นของคู่กันอาจะปล่อยก็ต้องปล่อยกงคู่จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้แล้วสุกนี้มันก็ต้องอยู่ทุกข์หมืนน้ำตาลเพราะมันมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นสุกที่มันมันไม่เปลี่ยนแปลงนี่มันยังเป็นสุขที่อยู่ภายใต้กฎของอนิจจัง มันเป็นใจรักอยู่้็ต้องพิจารณาเนื้อสุกนี้มันเป็นตายรักเมื่อรู้ว่าเป็นใจรักก็จะปล่อยวางปล่อยวางมันก็มันจะสุขจะทุกข์ในใจดังนั้นก็ไม่ตออ้องกังวลกันบ่อยให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเมื่อปล่อยแล้วมันก็จะมันก็จะมันก็จะลดมันเป็นไป เป็นทางที่เกี่ยวกับงานมะขันเกี่ยวกับจิตที่ไม่เกี่ยวกับร่างกายเนี่ยขอไม่นนารณ์ท่านจะอธิบายเรื่องเท้าเวทนาคือเวทนาถ้ามันแบ่งเป็นสองภาคคือทางกายแล้วก็ทางจิตถ้าทางกายเช่นเวลาเราหิวข้าวเราก็เรียกว่าเทศเวทนาหรือเวลาเราเดินไปเตะก้อนหินเจ็บเท้า นี่ก็เป็นทุกข์โดยธเวลาเราร้อนเมื่เราได้อาบน้ําได้เข้าไปในห้องแอร์หรือเวลาสีน้ําได้ดื่มน้ําแด้รับประทานอาหารนี่ก็เกิดจุดไม่ธรรมทางกายโดยในขณะ น, นี้ร้อนก็นไม่ร้อนเดียนเกินไปหนาวก็ไม่หนาวจนเกินไปหิวก็ไม่หิวเฉยๆก็เรียกว่าคุเบกขาโดยธรรมทางกายใช่ไหม ตอนนี้เรียกว่าสุขก็ไม่สุขทุกขก็ไม่ทุกข์เารียกว่าอเบกขาเนาแต่นี่เรื่องของทางกายีนทางจิตมันก็ถ้าเราคิดถึงเรื่องอะไรที่ทําให้เรามีความสุขขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิดเวทนาเช่นที่ว่าเอาเดี๋ยววันนี้เงินเดือนออกเดี๋ยวได้เงินละนี่ก็เกิดคุดเวทนาหรือคิดว่าเดี๋ยวเขาจะมาทวงหนี้ก็เกทุกขเวทนาขึ้นม ถ้าไม่ได้คิดถึงเรื่องของของอย่างนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรก็อาจจะคิดว่าจะจ ะ, จะเดินไปพื้นท้าพื้นของจะจ ะ, จะออกกาลังกายหรือจะทําอะไรที่มันไม่ได้มีเป็นศึกหรือเป็นถูกอย่างนี้นก็เรียกว่าเป็นอุเบกขาเวทานาการมัน ต, มต่างกับอุเบกขาที่เกิดจาเวลาจิดรวนลงเปนหนึ่งอันนั้นจิตมันเด็ดทํางานนยู่โดสังขารไม่คิดใน่ตง ทัสอันนี้มันเป็นความสุขของจิตรวมๆหรือเขาเรียกว่าเป็นความสุขของขานิพานก็ได้เพียงแต่ว่าเป็นความสุขแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าสุขในสมาธินั้นเป็นชั่วคราวเป็นนิพานชั่วคราวอยู่ได้เพียงแค่รูปเดียวถ้าใหม่ๆนี่เ้าเรียกเป็นขณิกะสมาธิจิตรวมลงรวมลงแล้วก็กกกกสงบนิ่งมีความสุขเป็นที่แล้วก็ถอนออกมา หรือถ้าส น, นานก็อยู่ในในฌานเป็นเวลานานด้าบางทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงบางทีเป็นวันอย่างนั้นก็เป็นการการสุกที่ไม่ใช่เป็นเวทนาขั้งสารหรือถ้าเป็นความสุกของพระพุทธเจ้าของท้าอหันก็เป็นขาวอนไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวทเรื่องของความคิดปุงแต่ที่จะทําให้แกศดทุกไม่ศึกไม่ทุ ก, ทก ในจิตอันนั้นเป็นสมมุติขันเป็นสมมุดแต่ความสุตของพระนิพพานนั้นเป็นยีในจมันเป็นความสุตที่นั่งเดินที่มีอกับจิตใจที่สงกถ้าจิตสงบเมื่อไหร่แล้วความสุตนั้นก็จะประกากฏขึ้นมจิตสงบก็ขันก็จะกั้งังสับแบบไปนี เจตนาปัญญาสังขารมีอย่างก็อยู่หมดมันจะปรากฏความสุขแบบนี้ขึ้นมาขึ้นต่างกัน้วนี้ก็มีความสุขดีสามแบบสุขกายสุขเนื้อขณะสุขทางใจที่เกิดจากความที่คงแต่งและสุดที่เกิดจากความสงบการรวมโยมของจิตนี่นั่นคือสุขที่เราตั้งเป้าไปกันสุด ความสุที่สุดท้ายนั้เราจึงต้องมาปฏิบัติการตั้งสตินจนยันสติมองกําหนดทุการณาดูลมหายใจเข้าออกพิจารณาร่างกยายพิจารณาทำต่างๆเพื่อปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เราถูกหลอกด้วยโมหะด้วยอวิชชาว่าเป็นความสุขที่เราสวงหากันทุกวันนี้เราก็แสวงหาความสุขกันแล้ว แต่ว่าสว่าง้าผิดที่สิ่งที่เราไปสาลัหานั้นมันเป็นเหมือนกองไฟเหมือนแม็กพวกเราเป็นเหมือนแบงมากเราเห็นแสงไฟแบงมากเวลาเห็นแสงไฟแล้วมันจะเกิดความกระตือร้อนวินดีมันจะบินบินเข้ากองไฟแต่ันไม่รู้ว่าในกองในแสงสว่างนั้นมันมีความร้อนอยู่เมื่อเข้าไปแล้วมันก็มันก็ถูกไฟในั้นเผาตายไป พวกเราก็เหมือนกันเราเห็นความสุขในลูกในเสียงในกลิ่นในน้ใ น, ใ น, ใ น, ในถอดพระต่างเห็นความสุขในลาบายัตษ์สรเสงี่ก็แสวงหากันแล้วเป็นยังไง น, นอนจากหน้าผากกันทุกคนมีมากมีน้อยยังไงก็ทุกข์กันมาเพราะมันไม่ใช่เป็นความสุขที่พอๆมันเป็นอนิจจังสุขฐันนะครับต ของกันทุกข์เนื่องจากไม่มีปัญญาเรืาไม่ารมีเห็นยากการที่จะเห็นทุกข์ในาลาบเนี้อสารเส้นจุดนี้เห็นยากพวเรานี่เป็นเหมือนคนตาบอกถ้าอยากยินดีกับสิ่งเหล่ลนี้นแสดงว่ายังโลกยังหลอกอยู่อันั้นเราก็ต้องใช้เครืกิลบ้า จรงวันนี้ก็เป็นเขาไม่เที่ยงหรือก็เป็นเตือนเฉยๆมันไม่ผ่อนมันต้องเห็นด้วยเห็นด้วยเยตือนได้แต่พอถึงเวลาปั๊บมันไปแล้วมาแล้วเตือนได้แต่มันไม่มีกำลัง ม, มันต้องมีขาจริงมาเปรียบเทียบเมื่อจิบยอมลงไปสมรภู่ิแล้วทีนี้ดูแล้ว อ, อันนี้ของจริงเป็นอย่างนี้นที่เคยมีมาก่อนนี้มันไม่ใช่ ถึงขนาดนั้นมันก็ยังโอโหลําบากพอหมดสมาธิปั๊บเอออำนาจของความหลงความอยากมันก็รูออ้แเข้ามาพยายามฉุดลากเราออกไปวเวลาจะเข้าสู่ความสุงนั้นได้แต่ละครั้งมันแสนทรมามนเหมือนปีนปีนขึ้นเขาแต่เวลาไปหาความสุดทางโลกโลกูลกเสียงกิตลดสวกดภาพมันเหมือนยิ่งลงเขามันง่ายมันเร็ว ท่นที่เราพูดนี้ยังเป็นทฤษฎีอยู่ยังไม่ได้เป็นของจริงในในจิตของเราเพรเรายังไม่ได้เจอของของจริงเราถือของความหลอกฟอกยาเข้าไปของทีมีใครมาเชิญบอกจะให้เงินพักแฉะหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ต้องคิดเอาไว้ก่อน <laughs> <laughs> ไม่คิดว่ามันเป็นเหยื่รือกเปลเราจะเป็นเหยื่วเข้าหรือเปล่า เหมือนกับปลาที่เห็นเห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายบุตรกัในใดพวกเราก็อย่างนั้นพอเห็นมีโอกาสจะได้ลาบยะละเยอะแต่เราเคยตแล้วคว้านับเลย <c oughs> แล้วก็ติดเนี่ยพอะมานมาวุ่นวายที่หลังโดนหอกบ้าโดนโกงบ้าง้าเอาความโลปของเราเป็ น, เ ป, นเป็นจุด ก็รู้ว่าเราโลภเนี่ยเขาก็มาหลอกนะเนาะเขาจะให้สิ่งนี้สิ่งนี้จะได้สิ่งนี้อันนีเราก็เอาเงินอย่างชายแม่ชะม้อยโอ้โหได้ดอกไปโอ้โหไม่ใช้ปัญญาขึ้นแล้วมันมันจนไปได้อย่างไรถ้ามันดีจริงเขาเขาจะมาเปิดโอกาสให้เราทําไมเขาตัดรวงแล้วคนเดียวไม่ดีกว่าเนี่ยเพราะเราไม่อยู่ปัญญา ว่าเรายังมีความหนุนครอบงำอยู่ต้องปฏิบัติทานั่งมันมันเป็นจะเกิดปัญญาคือมันพอติตสงบแล้วมันไม่หิวกับอะไรทีนี้ใครจะมาหลอกมาล่อล่ะยังไงก็ใจเย็นได้นั่งคิดพิจารณาก่อนตรวจตาดูก่อนเช็ค ด, ดูก่อนให้ย่อค้อก่อนว่าเอ่อมั น, ม, น, ม, นมันเป็นจริงอย่างที่เราพูดด้หรือเปล่า ถ้าเป็นจริงถ้าเรายังมีทวามจำเป็นที่จะต้องใช้เงอยู่ก็เป็นวิธีที่ก็ดีแค่ได้ถ้าได้เงินมาแบบนี้เรามันไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมได้ผลตอบแทนที่สูอองกว่าแบบนี้ก็น่าจะทำได้ถ้ามีถ้าเรามีสมาธิบ้างมีปัญญาบ้างเราจะไม่ให้ค่อยตบเป็เหยื่อของผู้อช่ แต่ถ้าเป็นแบบไม่มีเหตุไม่มีผลแบบที่เขาชอบส่งมาทางอีเมลว่าคุณได้ถูกรางวัลนะขอให้เป็นส่งบัญชีสมุดบัญชีของคุณมาอะไรเขจะได้เอาเงินเข้ามาให้เราเดี๋ยวมาเอาสมุดบัญชีเอาไปเบิกเงินเข้าไปที่เราด้ตัว มีรเคยนหลอกบางบางีถ้าบว่าคิดว่าผมตอบแทนดีอะไรเนี่ยมันก็มาพร้อมความเสี่ยงนะพร้อมความเสี่ยงด้วยก็ต้องใช้เหตุผลใช้หลักวิชาการหลักคุณที่ต้อง้เราไม่รู้สอย่างแล้วเราก็ แค่ฝากเงินประจำไม่นั่นก็พอแล้วปลอดภัยที่สุดแล้วว่างทยนี่เขายังมีรัฐบาลเป็นผู้รับประกันอยู่แล้วใช่ไหมแบงก์อย่าล้มอย่างไรเงินเงินธนาคาของเราเรายังได้คืนอย่างดีรับประกันสายต่อไปนีดอยต้องชื่ประกันเองไม่ใช้เหรอต่อไปเขาจะไม่ก็จะไม่รับประกันแล้วใ่มีแต่ลงเงินแค่รอกดสายออกคนรวยจะลำบากหน่อย อาจารย์ตอนต้นอาจารย์พูดถึงเรื่องว่าเราทําทานเนี่ยไม่ต้องไปค้นคว้าหาเงินมาเพื่อไปทําทานนะครัมีเท่าที่เรามีนี่ยหมายความเรามีเท่าไหร่เนี่ยเราสละได้มากเน่ความโวภในใจที่เราสละได้มากเท่าไหร่นั่นจะนึกขึงชุบุญถูกบุญที่เราได้รับนะครัไม่ใช่ไปหามาแล้วไปก้อนโตๆหไม่จำเป็นทุกอย่างเลยนะครับความโลภเพิ่มขึ้นความโอภขึ้นก็ตร้างกฏจารย์ให้มากขึ้น เพราะฉนั้นถ้าเกเรามีอยู่แค่นี้นะอยากทําบุญมากกว่านี้เราก็ไปมัธยักอย่างอื่นเอาแล้วก็สละเพื่อจะทําบุญก็ต้องได้ต่างที่เขาบวชแล้วเขาไปทำบุญที่ไหนหลวงพ่อท่านไม่มีอะไรจะให้แล้วมีแค่รอยฐานแต่ท่านก็มุ่งไปที่รักษาสิ่งขอว่ายุ่เกี่ข้อแล้วก็ภาวนาท่านตายหลวงตาสมัยที่ท่านปฏิบัติท่านก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับทางโลกเลยไม่ได้ไปหาเงินเพื่อที่จะมาสร้างวัดสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างอะไร ทำไปเพื่อการหลุดพ้นเพื่ อ, าอาการกำจัดทางโลกโกรธหรือใช่ไนหะมแต่เมื่อท่านท่านเสรงานนี่แนละ้วท่านจะมาเกี่ยวข้องกับทางโรกมาช่วยเหลือทางโลกเพราะว่ามีคนทําบุญกับท่านมากางานที่ท่านได้มาท่านจะจะต้องเอาไปใช้ประโยชน์ท่านก็เลยทําำแต่ท่านไม่ทําเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากการทำบุญของท่านเพราะบุญที่ท่านต้องการนั่นมันพอเพียงแนละ้วครบถ้วนบริบนะูรณ์แล้ว จริงโยเวลาทําทานเนี่ยจ่วนใหญ่ก็ตปรารถนาสูงมากแต่จริงๆมันได้เก่งเล็กน้อยนั่นแต่ะอย่นางพูดถึงาาก็งมากเลยทางด้านรับเนี่ยทางด้านสาแต่เขาไม่ได้บอกว่าถ้ารัชษา ถ้าทำบุญทำทานจะไม่รักษาถิ่นจะไม่ได้กลับมาเป็นเศรษฐีเป็นมนุษย์ <c oughs> จะเปลูกเป็นสัตว์เลี้ยงของขอ ง, ของเศรษฐีเพราะงั้นบาที่ก็ถือว่าเป็นลกุกเป็นการหลงบุญที่ทําให้เกิดตายเกิดตายอยู่นั่นเลยใช่ไหมบางวัข้าใช่หลังนี้หรอกเป็นทําบุญ นอยไมู่้่เาที่อนต่าในกระบวนที่เราทเนี่ยนะั้งหรือว่าตาาถ้าอยากจะเ่ยนท้าเียากาารที่เราจะก็ร้อ้งเหมือนกันเหมือนกันทำทีเดียวดีกว่าเพราะบางทีจะไม่มีโอกาสอาจจะตาก่อนก็ได้ มีอะไรคลาดมันแต่หนเดียวให้หมดเลยจะได้หมดพลาดละพอคนเวลาก็จะออกบวชก็มีอะไรเพราว่าสละหมดก็ไม่ค่อยกักไว้อืกักไว้เขาก็ยังออกบวชไม่ได้อืมแสดง ว, ว่ากักไว้เหมือ น, นกับหนักความโลภกว่าไว้ที่มั่นเป็ น, นอยา่างนก็ยังโหงอยู่ <c oughs> แล้วว่ายังอยากจะเอาหน้าทำดีแบบนี้นะเ อ, อหน้าทั้งหลวงตาแลนะ้วแถวคนรอบข้างว่าเอาฉันก็ทําบุญหองฉันอยู่เรื่อยๆทามันหนเดียวแล้วก็จบ มีท่านนี้เนี่ยจะทํำได้ทางนี้แหละนันคือเป็นความฝุกใจอยากจะได้ทำทุกวันมันมีความจุอจอม ต, อมต่อเนี่ยจนที่เราคิดจับการตีนแต่งของเราคิดเกิดจากความโหยความตกใจมันต้องปล่อยวางหมดไปแล้วหมดไปเลยไม่เสียดายไม่คิดถึงมนันอีกต่อไปมันยังเสียดายยังเก็บไว้ทีละแล้วเทน่ะไว้ เมือสมัยเด็กๆที่เรามีขนมอะฮะเรากินพิราน้อยกูก็กินหมดเพราเด็กว่าจะหมดแล้วอันอยากอร่อยหลายวันกัดไม่กูไม่กินหรอกเออมันก็มีความหวงที่เขาหัวงเล็บติดในคราบสุกมันจะมีคราเข้าใจติดทำไมก็มีเหมือนกันแต่เราไม่ติดความปลอด ตู้ทำมันทีเดียวให้มันหมดไปมันจะได้ความสุขมากขนาดนั้นเพราะแต่เราไม่เคยทําเราเราไม่เจออไไิ เ, เ, เราเลยไม่ดู้มึงจะสุขนี้เหรอท่เขาเวลาเอาเช็คถ้วท่านจานลุกวงตาลุกบอลแล้วท่านยิ้มด้วยจับจอแล้วเราเราไม่ได้ทําบุญจริงๆเราทําบุญหาเล่นนครกันเราได้ความสุขจากผู้อื่นทำบุการทําบุญนี้ต้องได้ได้ได้จากเกิดจากการเสียสละเกิดจากการตัด เกิดจากการปล่อยวางเงินทองที่เรามีอยู่ทามันให้มันหมดไปเลยมันก็ไม่มีความกังวลอะไรกับมันอีกต่อไปแล้วมันมันวุ่นวายมถ้าเรามาคอยรับทุกคน ถ้าหอมเดียวมันก็จบแถ้าเขาบอกเวละถ้าไหวทางว่านแบบพอใจพอใจงกน้วานเพียายใจก็วนรอบข้างก็ถวายทุกวันไม่เอามด้กน้องา้อเข้าใจเราว่ามันเป็นจิตวิทยามันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของเราท่นรู้ว่าเรายังยึดยังจิตอยู่ยังไม่ได้ท่านก็ไม่ได้คอะไร ควรให้กำลังใจมีผูทกันที่เราจะพัฒนาจิตใจเราต้องทำบุญสังดอนต้องทำบุญแบบเขาเรียกันดอแล้วต้องทำ แ, แบบปิดเท้าหนังพระควรจะถวายแาบนี้ตามไม่รู้เอาไปให้ทุายตาม่งเองทาได้นะมทำอย่างั้นได้บุญเยอะข่ อ, ขอยอีกมีความความสดถว <c oughs> ายต้นจองาา <c oughs> ท่านไม่เลยไปทางนั้นเขาเสียใจเขาเสียใจเองเพราะเขายึดติดในตัวท่านยึดติดในสมมตานถ้าเรามีถ้าเรามีมีปัญญาเราจะรู้โมทนากับพระเวทสันดน แต่แลแต่เขายังมีจิตเลยจิตเขายังไม่อยู่ในระดับเดียวกับพระฤๅษีสังดอนเขาก็ทุกเขาก็เสียดาของที่พระฤๅษีสังดอนถนัดไแต่ถ้าเราอยู่ในระดั บ, บเดียวกับท่านเราก็จะอมิโมทามาเออดีนะไม่มีแสนจะสบายก็มีดูพระอาหารต์ตั้งอยู่อะไรนี่นะ <c oughs> เราต้องการจะไปถึงจุดนั้นไม่ใช่เมื่อเราจะถึงจุดนั้นเราก็ต้องกล้าสาระทอย่าง ทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่มันเป็นเป็นหมือนบ่วงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตัดในเวลาที่เสดเ็จตอบตอนที่ได้ข่าวว่าได้พระได้พระราชาเร้ามแล้วท่านก็บอกลาหุ่มแต่ว่าบวงมีแล้วมันเป็นบ่วงมันจะถูกถ้าเรา ว, วินงไหตายเถีดไม่รู้จักจบสิน้นเราถึงต้องปัดการทาบุญให้ทานที่แท้คือพระพุทธเจ้าตัดสุตตทาน ความยึดติดียกับสิ่งของต่างๆเงนทองต่างๆถ้าถ้าเขาถ้าถ้าเขาไม่มีบุญถ้าไม่มีปัญญาเขาก็จะเาก็อาจจะโกรธอาจจะเืลดพ่อก็ได้แต่มันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของของพ่อ ก็ททำสิ่งที่ถูกแล้วโดยพ่อบางพับบารมีของท่านอยู่ก็ดีจะได้มาถึงจะได้ไม่ต้องเสียการต่งกันเราะเราต้องอยู่ตัวคนเดียวในที่สุดนต้องอยู่ตัวคนเดียวต้องไม่มีอะไรผูกพัมเลยวายวังทุกสิ่งทุอย่าง แล้วจะได้สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เราหลงเย็ดติดนั้นมันเป็นเหมือนก้อนอึกก้อนัวดก้อนตายแต่สิ่งที่เราได้จากการปล่อยสิ่ ง, งนั้นก็คือพระเด่นจินดาไม่เช่นนั้นจะมีพระอารหาันต์ก็คพุพระเจ้าตาขุนผู้งานไมได้ถ้าอย่างเสียดายในลาบด้วยสารสนิทในโลกียะสมบัติของใจแต่ท่านได้สัมผัสจับถึงที่มันดีกว่า ท่านถึงป่อยไดโดยตอนที่ตอนที่ท่านยังไม่บรรลุกต่จิตทั้งรวมเงินเป็นสมาธิกนะ็เป็นตัวอย่างเหมือนกันดูหนังตัวอย่างาเพราะฉนั้นเวลาเขาอยากจะให้เราไปดูหนังเขาบังคัฉายหนังตัวอย่างให้เราดูก่อนก <c oughs> ารได้ความสงบจากการรวมรวมของจิตเป็นสมาธินี้ก็เปเหมือนได้สคำตับกับตัวอย่างของพระวิปัญญาคว <c oughs> ามศึกที่แท้จริงที่มีอยู่ในจิตใจของเรา แต่รู้ว่าอากจะได้ความศักดิ์นี้ต้องต้องสลับที่เต็มใจท่านถึงจะละราชสมบัติ อ, กออกบูกได้เพราะท่านเคยมีฌานอยู่ตั้งแต่สมัยที่อายุไม่กี่ขวบตอนเป็นเด็ก <c oughs> ท่านไปอยู่ในงานจริญพระนางขัน <c oughs> แรกนาขัญแล้วพวกข้าราชบริพารปล่อยให้ท่านนั่งอยู่ที่ลําพังแล้วเขาไปทํากิจกรรมอะไรกันอยู่ขณะที่ท่านอยู่ตามลําพังนั้นจิตของท่านก็หลงลอย <C> e <an> ท่านก็นเลือกเลือกถึงสภาพนี้ในขณะที่ท่านบำเพ็ญเพียรท่านสุดท้ายวราจิตต้องสงนตรงนี้อะไรก็ตามที่ทําให้จิตนั่สงบในขณะนั้นถือว่าเป็นเกลื่อเมื่อปฏิบัติแล้วจะรู้มันกิเลนึงจะเป็นหนึ่งของมาทิ่มแทงจิตใจจิตที่สงบนี้พอโคกิเลขยับขึ้นนิดเดียวจะรู้ ท, ทันทีรู้วันนี่เป็นกิเลอแต่ถ้ามันมีการสงบแล้วจะไม่รู้ เราลงเหมือนกับเนี่ยหลงที่ทําบุญแล้วมีความสุขความสุขอะไรเนี่ยแต่เราไม่คิดเลยว่าถ้าเกิดท่านไม่ยิ้มกับเราสักอย่าเนี่ยเราจะเราจะเสียใจแล้วใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ทําบุญเพื่อสละเงินทองเราทําบุญเพื่อจะรับความยิ้มของ แบบนี้พรูพุเจ้าถึงถึงเป็นที่ได้รับการยกย่องจับว่าเป็นบุรุษของโลกนะครับพระศิลปอย่างไรหลวงมากก็ปัญญาด้วยเพราะว่าท่านเห็นในสิ่งที่ไม่มีการสามารถเห็นได้พวกเราต้องมีคนสอนคอยบอกอย่างเนี้คอยอธิบายกันาบเนี้ถึงจะเห็นแต่ถา้าไม่มีใครมาอธิบายแบบนี้ท่านต้องเห็นด้วยปัญญาของท่านเองก็เลยต้องลำ บ, บากลาบนเสียดรามามากบำเป็นบารมีมาไม่ได้กี่กับกี่คัน ถ้าท่านเกิดมาในสมัยที่มีพระธรรมคำสอนนี่ท่านก็คงจะเป็นเหมือนกับภาษาวรินบุตรเป็นพราโมกคัาไม่ต้องเสียเวลามาบำเพ็ญพอฟังป๊บปก็เข้าใจบรรลุได้ ท, ทันทีแต่ถ้านไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมคำสอนในขณะที่ท่านยัเงเพ่งเพียงท่านก็เลยต้องทดลองวิธีการต่างๆ ผิดบ้างถูกบ้างเป็นในที่คนจะพบทานที่สุดแต่พอท่านรู้แล้วท่านมาสอนคนนี่พวกที่เขามีบารมีพร้อมอยู่แล้วเพียงนนะับฟังธรรมครั้งเดีย ว, วเขาก็บรรลกันแค่ที่เดือนตั้งแต่เวลาที่พระพุทธองค์ส่งประกาศสอนพระธรรมครั้งแรกในวันเผ่นเดือนแปดวันาสังหบูชาจนถึงวันเผ่นเดือนสามวันมาทบูชา ก็กี่เดือนเจ็ดเดือนนี่นะก็มีตามีผ้าหันตากฏขึ้นมาหนึ่งพันสองร้อห้าสิบมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่มีการนับสายกันไม่ขอหรือผู้นี้เขาได้ยินได้ฟังฟังพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรุเป็นผ้าอาหันกันอย่างรวดเร็วภายในเจ็ดเดือนมีผ้หาหัน ขึ้นมาเป็หนึ่งพันสงรห้าสิบยี่แต่ก่อนนั้นเป็นเวลาเป็นกลับเป็นกังไม่มีท่าหลังตัากฏให้โลกได้เคยทำได้จ่าไหวเลยนจึงจะเห็นคุณค่าของขพระพุทธเจ้ า, าสาคัญขนาดไหนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าหรือมีแล้วไม่ประกาศสอนดังที่ทรงมีความรู้สึกในเรื่องต้นหลังจากตัดกฏยนี้แล้วก็มีความท้าทยขึ้น่า คำนิสสอนไปก็ไม่มีใครจะสามารถปฏิบัติได้ไม่มีใครจะสนใจเก็บจ่าก็เลยไม่มีทางทางที่อยากจะโงงขวายแต่หลังจากนั้นก็่ายในคำทีท่างจะบอกว่ามีเท้าหม า, หาผมได้มาอาราธน า, าให้มีขมุกจ่ า, มมาตรวจจับโลคและพระองค์ก็คงจะพิจารณาด้วยปัญญาก็ยากแย่สัตว์ยเกจนดุสี พวกที่สามารถรับรู้คํานี้ได้ก็มีพวกที่ไม่สามารถรับรู้ได้ก็มีพวกทีรับรู้ได้เร็วก็มีรับรู้ได้ช้าก็มีตามลําดับของสติปัญญาบาลูที่ได้ลงเคนมาท่านจึงทรงมุ่งไปที่พวกที่รู้เร็วก่อนนับได้เร็วก่อนเพืมีถ้ากัมมันตรัก่าที่ท่านเห็นว่าพรนะ้อมแล้วศีลก็มีแล้วสมาธิก็มีแล้วขาดปัญญา ขาดตายละทั้งนมองไม่เห็นเห็นแต่อานิจจังเห็นแต่ทุกข์ต่ไม่เห็นอนัตตามีตพระพุทธเจ้าองค์แรกที่เห็นอนัตตาทําให้เห็นครบตายละทั้งสองนักปฏิบัติส่วนใหญ่ก่อนหน้านั้นก็เห็นกันอานิจจังก็เห็นกันเราก็เห็นกันเกิดแก่เจ็บตายนี่มันก็อานิจจังทุกข์เราก็เห็นกันแต่เราไม่เห็นอนัตตา มาจึงปล่อยวางเนี่ยนะเราจรึงยึดติดอยู่กับความทุกข์ยังยึดติดอยู่กับขันห้ายึดติดกับร่างกายถ้าเราต้องการหลุดพ้นเราต้องปล่อยวางขันห้าปล่อยวางร่างกายเพราะมันเป็นทุกข์มันเป็นอ น, นิจจามันเป็นอนัตตาพอท่านสอนงานนี้ครั้งแรกพระอัญมณ์โนทิญะก็มีดวงตาที่ธรรลุเป็นพระโสดาบนันถ้าทรงแสดงธรรมให้พระพุทธวัตรถื อ, อทั้งสองคั้งก็ได้บรรลุบรรพยาไร ทั้งห้ารูปที่ปัญญาบรรลุที่ปัญญ า, ลลญญาไม่ได้บรรลกที่สมาธิที่ฌานไม่ได้รรลุญญที่สีต้องปัญญ า, าและต้องปัญญาของพระพุทธเจ้าคือต้องมีต้องเห็นใจละัะในขังห้าในจิตถ้าเห็นแล้วก็ปล่อยวางยึดติดไม่ได้ยุดติดแล้วก็ยังต้องทุกข์กับมันอยู่ ถ้าพระพุทธเจ้าตัดถึงพระไทยไม่ไม่สอนก็จะไม่มีพระอาหารไม่มีพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบั น, น, นี้พวกเราก็คงจะเป็นเหมือนพวกนวคนที่เ้าฆ่ากันเป็นพรรคเป็นเบลกันทุกวันนี้เมื้อเป็นพวกที่หาความสุขจะลุกเสียงเกีื่อนเ่อนเกิดระทะหาความสุขจะราบลุกสรรเสริญพวกนี้ก็ถึงแมาจะอยู่ในในในดานพุทธแต่มีพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับพวกหุ้นหนกหุ้นหลอกตาบอด ทรรไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปสูจิตใจใใของเขาได้เขาก็เปรตเหมือนกับเป็นท่วกดัวที่อยู่อยู่ติดก้นก้นบ่อที่จะกล า, ายเป็นอาหารของครูอของกลา่าวไปไม่ได้รับประโยชน์จากการได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้รับประโยชน์จากการได้มาเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนามีคําสอนมีการปฏิบัติ ก็เหมือนกับทัพพีในหม้ อ, อกแกงถึงแม้จะก็อยู่ในแจงราคาเป็นล้านกต็ตามเช่นเขามีอาหารลลาามือระลางไปหยิดถามว่ในเรื่องนี้แต่พวกทัพพีที่มันอยู่ในอาหารเหล่านั้นมันไม่รู้ว่าอาหารเหล่านั้นราคาเป็นล้านแต่พวกที่เขากินอะเขารู้องเาได้ลิ้นได้บอได้ได้ลิ้นของเขา พวกเราก็อยากไปเป็นหนุ่มผู้ขาวขอเราเป็นเนุ่มผู้ลิ้นเรามีทางยินดีมีทางพอใจที่จะทําำดีที่จะรักษาศีงที่จะปฏิบัติธรรมต่ยากจะลําบากอย่างเราจะต้องตัดจะต้องเสียกละอะไรก็อย่ากให้เ ส, สียได้ตัดได้มากน้อยเท่าไหร่เราจะกำลังมากขึ้นต่อไป การทำนาตุการทำนาต่อสอนให้คนดีไม่เบียดกันคือให้ทําบุญแล้วก็ไม่ให้ทําบาปแล้วก็จะทําให้เขาได้ไปเกิดบนสวรรค์ในไก็ยิ่กับพระเจ้าก็เป็นความเข้าใจที่ไม่คาดที่ไม่ขัดกับทางหลักของพุทธศาสนาทีาา่จต่เขาไม่รู้ว่ามันไม่ได้เป็นจิตจบตรงนั้นสวรรค์ก็เป็นอนิจจังเหมือนกัน รือคนนั้นจะไปอยู่บนสวนรรค์เป็นเดาราหนึ่งตีแสนสตีบุญมก็หมดได้มันเสื่อได้เมื่อบุญมันหมดบุญมันเสื่อมจิตดังนั้นก็จะต้องจบลงมาเกิดเป็นมนุษย์นะพขาไม่รู้เรื่องการยินร้ายการเกิดเขารู้เพียงแต่ว่าเมื่อหมดชาตินี้แล้วก็มีที่ไปสองจุดสวรรค์และนรก แล้วก็จะอยู่อย่างนั้นไปตลอดถ้าได้ขึ้นสวรรค์ก็ดีสวรรค์ไปตลอดถ้าตกนรกก็จะอยู่ในนรกไปตลอดแต่าการพุทธศาสนาอนี้ไม่ใช่ตกนรกก็ไม่ตกนรกไปตลอดก็มีมีวันหมดพ้นโทษได้เหมือนกันมันติดคุกเมื่อหมดหมดหมดมีหมดกรรมแล้วก็กลับมาเกิดเป็นตึกบ้านเป็นอมาตะที่รับใช้พะระพุทธเจ้าในธาต พระเจ้าแผ่นดินดีรูปหนึมาท่ า, าก่อนพรพระเจ้าแผ่นดินเคยใช้อำานาจที่ให้ไปทํำดีให้เงินไปร่าให้เจ้าไปซื้อของถวายพระขาเราจักไว้สักสิบประเจนพอตายไปก็ไปไ ป, ไปตนกนรกพอพ้นจากนรกออกมาก็มาเกิดเป็นเป็นเปรย แล้วก็เต๋อก็เป็นแบบพวกที่ยังต้องพึ่งบุญของผู้อื่นทำไมมาหากษะศักด์มาหาในพระราชวางังนี่พบ อ, อีกหลายพบหลายชาติต่อมาแล้วไนหะแต่กษัตริย์ตรงนั้นก็ได้กลับมาเกิดเป็นกระศักดิ์อีกแล้วอามานี้เป็นเต๋ ก, ก็มาส่งเสียงปากประหลาดในพระราชวางังทําให้กษัตริย์นั้นนอนไม่หลับตอนเช้าก็กลับพิงถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นอะไร ข้ก็รจาบว่าเป็นอำมาที่เคยไปทำบาปมาแล้มาขอส่วนดุลจากท่านขอให้ท่านทำดุลชดให้กับเขาก็เขาก็เลยพรจ้าแผ่นินก็เลยจัดการหาข้าหาข่าวมาทำดุลทารับแล้วก็ขวดยาอุทิศไปให้กับอำมาตยเพื่ออำมาเขาจะได้เดินทางไปต่อไปในตกูล พอภบภูมิที่สูงขึ้นไปถ้าเขามีบนดีมีอะไรที่ยังไม่ได้ส่งผลเขาก็จะไปเกิดเกิดเพราะคนเราทำดีทำบาสมาสลับกันไปสลับกันมาอยู่ตลอดเวลาเพาฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้กลับมาเกิดน็น้นไม่มีอยู่เสมอเพียงแต่จ ะ, จะบ่อยก็ไม่บ่อยจะมากหรือจะน้อยก็ไมนอแต่จะต้องได้กลับมาเกิดถ้ามามาเกิดแล้วก็อยู่ที่เร า, าเราจะมาจำบุยนดจนบาป เพราะมนุษย์เป็นเพียชาติเดียวเท่านั้นที่สามารถเติไมได้ทั้งบาปเติไมได้ทั้งดีแต่ชาติอื่นๆพวบอื่นๆนั้นเป็นที่สวยบิ่นสวยกรรมถ้าประัณเทศก็จะไม่ได้ทำบุญก็มีแต่ความเสื่เหมือนพวกไฮโซนี่เขาไม่ก็จะทำบุญขนาด <c oughs> น้อยเด็กตื่นสายดีปฏิบัติทรรไม่ได้ลําบากลำบนไปวัดไม่ได้ถ้าตกแทร ที่มาสังธรรมนะคะนั่งอยู่พวกนึ้นพวกนั้นก็ดีเขาเคยได้บางเพนบุญก็ไม่นิสัยอยู่ก็มีนิสัยเดิมเนี่ชอบทาบุญทำธรรมชอบฟังเทศฟังธรรมอีกเรื่องมีบางพวกใครดซบางคนเ้าก็มีใช่ไหมใครเราบางคนที่ชอบปฏิบัติธรรมก็มีชอบฟังเทศฟังธรรมก็มีสังเกตดูลองเลือกแยกดูพวกใครโซนี้ก็มีพวกที่ไม่สนใจธรรมะเลยไม่สนใจวัดต่อว่าเแล้วบางพวกเพื่อที่สนใจก็มี ก็เทวดาก็แบบเดียวกันต้กงคิคสนใจก็าว่าจะไปฟังเทศกับพระอรหันต์บ้างกับพระพุทธเจ้าบ้าง <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนกับมีแบงล้อยแล้วแต่ขอแรกวแได้แบงห้าห้าสุดไม่ชอบแบงร้อยไม่ชอบตัวเลนชอบตัวเลขห้าพี่เอามันก็เปลี่ยนัาหาเพราะเป็นแฟชั่นกันแล้ว บางทีถ้าเราไปอยู่ในแดนดินแดนของที่เขามีแต่ศาสนานั้นแล้วเราเป็นศาสนาที่เล็กกวา่าแล้วเราถ้าเราไม่นับถือศาสนาของเขาเราจะลําบากเขาอาจจะเปลี่ยนไปบางทีเขากําลังทุกแล้วพอดีจะเจอพวกศาสนาอื่นแล้วเขาก็เอาใจมากก็เลยทำลายสุดว่าไม่รอดเอ ก็เห่นศาสนาอื่นที่ก็จะไปสงเคราะห์พวกชาวป่าชาวเขาคนที่เหยียบย่อมชุนชนของสสส ง, งสร้างโรงพยาบาลสร้างอรยังไงก็ทำเป็นการเป็นเป็นการซื้อใจคนแต่ไม่ได้ซื้อด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญาด้วยธรรมะพรกนี้เขาก็เปลี่ยนใจได้ถ้าเกิดใครมาใหมากกว่ า, า, วาเขาก็อาจจะมเปลี่ยนใจต่อไปก็ได้ลูกคยไเจอที่าเป็นแต่ว่ ก็บางครั้งการิงศาสนาก็ยังดีแหละคือศาสนาก็ยังสอนให้คนรักต่ำให้ทําเ้ตาตับกันไม่ให้เดียดเดียนกันมีปต่ไปเชื่อถือเชื่อเรแแต่ถ้าจะให้ดีถ้าถ้าเข้าถึงศาสนาพูดได้ก็จะได้รับประโยชน์มากที่สุด เรื่องความมีกำลัเรื่องเทพจะเป็นข้างเราแต่ก็มาคืหาลูกไปเข้าใจกำลังเป็นเหยือไงกำลังเป็นเหยือการู้จัู้ด้่ยกันี้โลกรรบูรไปสิี่ทำไปถึงตงนล้วต้องบูรณาทธิ์ชนะถ้าระยะล้วจะถึงเยอะ ทำบุญทำทานไปกับพระสงฆธรรมดากับหลวงกายกับพรนอาจารย์นี่ก็เกือบเหมือนพระอาจารย์เป an> an> ็นบุรุษปเสนีเลยนะต้องเป็นบุรุษปเสนีที่มีกำลังนะคะทานนี่ผลบุญจิตเหอนรื่องไร้บุญกเรื่องนี้อาจาราไม่ได้ศึกษาไม่ไม่ไม่ั่ใจว่าการทิดนี้ การจะมีความแตกต่างกันหรือไม่ ก, กับบุคคลที่เราทำบุญด้วยอันนี้ไม่ได้ศึกษาไ ม, ไม่ได้ยินแต่เคยเห็นคนก็พูดว่าถ้าจะให้ได้ได้อริสลงจริงๆคนที่เราจะต้องเป็นคนที่มีศีลบริสุทธิ์แต่อันนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้จริงๆอับ น, นี่ก็ตอบ ก็ ừ ừ ừ หลายครั้งที่ทำกับหลวงตาแล้วคนตายมักจะมาเจ้าฝัแนแย่ที่ทำ่าได้รับเ น, นี้ก็ดีถ้าถ้าอย่างถ้าเป็นอย่างนั้นก็เวลายะทำบุญทุกข์จะให้พยายามหาพ้าที่ดามความมั่นใจว่าท่าน็นที่มีสิงบ์โยสุดขลันเพื่อเราจะได้มั่นใจว่าไปถึง ถ้าเป็นเาอร์ที่ยังไม่มีสีมอสุดอาจจะซักไว้บ้างก็ได้ <laughs> <c oughs> เล่นมาทำที่นี่ได้มันใหญ่ทุี้บอกว่าเป็นหลวงตาเป็นอธิพอดีคงไม่ได้เฮ้ยที่พอดีก็ต้องสายพวกไปดูไปที่นี่ แต่นี้มันก็ไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญมากเพราะบุญที่อุทิศนี้ก็น้อยว่าถ้าพี่พ่ไม่ได้ไม่บุญที่โยมทำร้อยอย่างนี้อุทิศได้เพียงเที่ยวเดียวเท่านัน้นไม่ได้ไม่ได้ไปทางร้อยไปแค่หนึ่งเปอร์เซ็นนี้คที่เหลือเป็นของคนทํอ่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องหวังแล้วก็เป็นะจะเป็น เ, เ, นเนหมือนกันให้เป็นค่ารถเป็นค่าอาหารหหนึ่งค่าเพื่จะได้สี่คน เดินทางไปพบหน้าต่อไปเป็นบุญเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อระหว่างพบก็มีประโยชน์ทาให้เขาสามารถได้ไปเกิดก็อยู่ที่คนที่เขามาขอเขาทาบ่อยขนาดไหนถ้าต้องไม่ขอมันก็ไม่ไปถึงเขาหรือบางครั้งรับไม่ได้บางทีก็ไม่ได้อยู่ฐานะที่จะรับได้ก็ก็ไม่รับถ้ายังอยู่ในนรกอยูุดรับไม่ได้ถ้าเป็นมนรราชาญเขาก็หากินของเขาเองได้ เขาได้เกิดเป็นยอดไปถึงพบนัมม้นแลวน้วเป็นเพียงแต่เป็นเศษเท่านั้นที่ยังต้องอาศัยบุญเพื่อจะส่งให้เข้าไปเกิดพบที่ดีขึ้นเพจะเป็นมนุษย์กแล้วต้องอาศัยบุญที่อกทิศใจถ้าเข้ามาเข้าฝันแล้วก็จะไดงว่าเขาต้องการมาทําไปชัางเดียวเขาก็ได้แล้วเขาทำไปได้เขาคุณก็สําเร็จประโยชน์ ถ้าไม่จำเดีก็จะกลับมาท่องฝัต่อวะยังไม่อถ้าอย่างนั้นใราตัวนี้จะได้ธรรมะแล้วค่เขาเคยแต่งกันเนี่ยเขาโพลเาฟังธรรมสักกเันต้องทเยอะๆไปทาเชีงน่านกาจงๆบาคนนี้ก็มีบุญพแล้วเข้า ตายตบเขาไปเกิดได้ในในเลยไปสวรรเลยบางทีก็ไปอยู่ในทันของพลเอกแล้วก็ได้หรือไปใช้กรรมไปตกนรกไปเกิดไปอยู่ในทันของสัตวแล้วก็ได้นอกจากบางบางจิต ด, ดวงบางดวงเขายังมีความผูกพันอยู่ต้นท่าที่ท่านติวีวานหมือนอท่านพุทธเจ้าอจบอกว่าอย่าไปตะติวีวานตงนี้เจ้าของเขายังไม่ปล่อย เจ้าของก็ยังมาเกิดเป็นตัวเลนเกาะอยู่ที่ข้ากีวอนอยู่พอพอตัวเลนนั้นตายแล้วท่านก็บอกว่าเขาตายอ่ะยืนในสายยาวไปใส้เราไปสายยาวอันนี้มันอยู่ที่ความผูกพันของจิตอุปทานอยู่พันรักกีวอนว่าอย่างพี่น้องสองคนที่เหมือนตามนิสิหลวงปู่ม่านท่านเห็นในสมาธิที่กังวนเียนอยู่ที่เจดีย์ที่ท่านไปนั่งสมาธิ ให้กระทำว่าวเขามาทำอะไรเขาแบบการที่เขาไป ท, ท, ที่นี่อยู่เขาร่วมเบอร์จากสร้าง CBD แต่เขาตายก่อนที่ c ด d นั่นจะสร้างเสร็จเรายังมีความผิดความเขาห่วงเลยเขาก็ห่วงเลยเขาก็สอนเขาว่าการทำบุงนี้ทำเพื่อบ่อยว่างไม่ทำเพื่ อ, อยึดติดเราทำได้เท่าไหร่ล้วก็ทำไปมันจะเสร็จก็ไม่เส็จมันจะเป็นเรื่องของเรื่องของติดเรื่องหนึงไม่ใช่เรื่องของเรา ใช่ไามา่เช่นนั้นเราก็จะไม่ได้ไปเสวยดินที่เราได้ทำํำไว้เราก็จะไม่ได้ไปเกิดเพราะความขมขันควา ม, ม, มาหวี่ยงยังทําให้เราต้องเป็นสัมภเวสีวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปพอท่านแสดงธรรมเขาเข้าใจเขาจะอนุโมทํางานและเขาก็ก็ปล่อยวางความทุกขความกังวลนั้นถือว่าหมดหน้าที่ของเขาแล้วเขาอยู่ยังนั้นก็มาห่วงมันก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้มันดีขึ้น เขาก็ทยาอะไรไม่ได้ดลยดนี่คือเขาได้ปัญญาได้ถึงขั้นเป็นปัญญาตอนนั้นเขาได้ปล่อยวางล้วก็ได้การไปถือไว้บนที่เขาคนจะได้แล้วตอไปติดตัวสำคัติดม่สำคัญตัวกิเลสสำคัญเนี่ย ธรรมะถึงสำคัญกว่าเนี้ยเพราะธรรมะเป็นตัวปรากกิเลสได้ธรรมะเป็นตัวที่มาปลดเครื่องผู้มาถ่ายบาตให้กับจิตศาสนาอื่ก็อสอนว่าให้เชื่อบุคคลนั้นอยู่คนนี้นจะสามารถถ่ายบาตให้ได้แต่ธรรมศาสนาพูดสอนว่ามีธรรมะท่า น, นั้นที่จะถ่ายบาตให้กับจิตได้เพื่อปลดเรื่องจิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดได้ พ้นจา ก, กนรกสิดขนาได้ซึ่งพอไม่ยึดเป็นพระโสดาันแล้วถึงแม้จะเคยทาบาปทำกรรมมามากน้อยเท่าไรก็จะไม่ไปตกนรกไม่ต้องไปเกิดแนวาบาต่อต่างเพราะธรรมะมีเพราะปัญญามีดวงตาเห็นธรรมล่อยวาไม่ยึดไม่ติดกับรา ไม่ได้นะสิเพราะว่าของก็ไม่ได้ให้ใครพอไปวางไว้แล้วเดี๋ยวเรเอามากินเองมันไม่ได้เป็นทานมันไม่ได้เป็นทาอก็เผากระดาษเนี่ยก็เป็นกระดาษเท่านั้นเองไม่มีอะไรอความเชื่อแล้วทํากันมาโดยไม่มีเหตุไม่มีผลงั้นก็รวมทั้งจุตจีนศาสตร์จีนอะไรต่างๆเออมันดีตรงที่ว่าการไหว้ ว่าการเขาไปหุดเป็นการสอนสแสดงความประจันอยู่แต่ควมจควรจะว่าตอนที่ทา่านมีชีวิตอยู่ควร <laughs> จะดูแลท่านตอนที่ทา่านมีชีวิตอยู่ความจริงตอนที่ท่านตายไปแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปว่าเป็นแสดงความประจันอยู่นะเพราะมันแสดงไม่ได้นะผู้รับมันไม่มีนอกจากถ้าท่านยังต้องอาศัยดินอุทิศเราก็ทาดินอุทิศไปได้ท่าน ถ้าเราอยากจะแสดงความประจันยูอยากจะแสดงสัมมาทัาะก็กลับพ่อกาแม่เราทุกวนเพื่อการที่ะลงมีวยูี้งดูท่านทุกวันนั่งหลกักติาการแสดงความประจัญยูวประจัแล้วได้บุนด้วยนี่เป็นการแสดงละครทั้งนั้นเอง ไปซื้อข้าวีือของซื้อถึงที่จอยชอบกินด้วยไม่ได้ถามคนอื่นเลยคนไหนชอบกินเหล้าก็ซื้อเหล้ายี่ห้อไห้ดีท่านท่านจำ้ถือเป็นการอุบายให้ลูกหลานมาเกันเล่นกันใช่ก็เป็นประธานนั ah> blood, ้นเองแต่ม mm ัน hmm ก yeah. ็ไม่ได้เป็นยืนเป็นสุ่มอะไร มาเจอกันนี้เบดีก็มาทะเลาะกันเห็นมีว่ามีความเชื่อ ว, ว่าถ้าลูกหลานมาทำเชีงเดงเนี่ยใครมาถึงก่อนเนี่ยคนนั้นจะได้บุญมากกว่าเพราะฉะนั้นไม่เคยมีการที่แข่งแย่งเขาใครมาตีสากเขาจะมาตีสองเราแข่งเันในหลานั้นมีมีมีของคนเชื่อแบบนั้น ศาสนาพุทธของลราแบบดีทีุดเป็นเหตุเป็นผลแล้วสามารถพิสูจน์เห็นได้ในชาตินี้ไม่ต้องรอตายไปก่อนแล้วค่เป็นผลปฏิบัติการเราจะเห็นอย่างลนรกในสวรรคเห็นจิตเห็ น, หนการเวียนว่ายตายเกิดมันอยู่ที่ตัวจิตตัวเดียวทุกวันนี้เรามองไม่เห็นตัวจิตเห็นแต่ตัวกายก็เลยไม่ไม่รู้ตัวที่เวียนว่ายตายเกิดตัวที่ตรงนอกขึ้นแต่วค์นี้ นอนตกเงขึ้นสว่างอยู่เรื่อยๆสลับในนายที่เราคิกเจ้าสถียใจนนั้นเราก็ตกเงาลขึ้นวายใจ แ, าแ้าลดในนยสุดใจสบายใจวันนั้นเราขึ้นสวาน่างอันนี้นั่งหัวเราะกันนะให้เราอยู่บนสวรรค์กันอันนี้สวรกา ร, ราทําเพื่อทาให้ติตาจมีความสงบแล้ทวทนใ้ิตใจมีคามสงบทาให้เกิดปัญญาความเทีเ่ย จำถ้าให้ขอทานได้บุญได้ไได้ได้ความสุขเหมือนกันครับสุขทางหน้าสิตใจได้เหมือนกันอ ย, อยู่ ท, ที่อยู่ที่ใจว่าเราให้ด้วยความบริสุทธิ์หรือไม่ถ้าให้ด้วยความบริสุทธิ์เราก็จะได้มากถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ได้น้อยถ้าให้ขอทานแล้วยังอยากจะให้เขายกมือไหว้เรานี้ <c oughs> แล้วเขามายกมือไหว้เราก็จะโมโหเราก็จะโจดเทาาไม่ค่อยดีโอ้ได้ ถ้าคนักก็เห็นได้ให้ให้ตูให้ปลาให้อะไรก็ได้ความสุขในหน้าจิตใจนี้ได้เหมือนกแต่ประโยชน์ที่ผู้รับจะไปทำนั้นต่างกันแค่ไหนใครขอทานล้วคงจะไปทําประโยชน์อะไรได้ไม่มากจะไปให้ตํารวจให้ให้หมอให้โรงพยาบาลเขาก็จะไปช่วยเหลือคนตกคนไข้ได้เองมันเป็นประโยชน์มากกว่า ให้พระท่านก็มีกำลังไปเผยแผ่ธรรมะให้คนมีดวงตาเห็นธรรมให้หยุดค้นจากธรรมทุกนั้นามีบุญเวลาให้นี่มันได้สองส่วนส่วนที่เราได้ในใจเรามันก็จะเท่ากันจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ความบริสุทธิ์ของใจ ถ้าทำแล้วหวังให้ท่านยิ้มกับเราแล้วท่านไม่ยิ้มมันก็ไม่สุแล้วมันก็ไม่สุขเวลาทำาะไรอย่าไปหวังอะไรกับแทนครับท่านผู้สอ น, น, นว่าท่านผู้สอนปิดทองหลังคาเราจะได้ความสุขเป็นที่เลย ว่าเราจะไม่ได้หวังอะไรจากการเราทำเรืร่องเรื่จิตเจตนาบว่าจิตเรามีเงินนี้เราไม่เราก็อยากจะให้มันเปิดประโยชน์ก็เ อ, เ, เอาไปเอาทูตที่จะไปทําประโยชน์ให้กับเราจากไปเราจะรู้ม็รู้ก็ได้บางคนบรจาคโดไม่ไม่ประไม่ไม่ไม่ประสงค์ออกเงนิน เคยเคยมน้องแก้วเดยหมดแล้วปใจได้หลายปวดเห็นน้แก้วด้ยถวายของก่อนนะ ก็ด yes, so ีขึ้นแต่ไม่หาเสมดุลก็เจ็บกันทีอยู่ก็มีบ้างเวลาประหยัดขี้เกียจก็เะ็บบ้างแต่การบัตรพารามานี่มันก็ขัดขัดย่อมต้องไปอยู่ไปนี่แหละก็ไม่เป็นไรก็พอผีไายเ่ยแมไม่มีไมโครเวฟมันก็จะเอาอะไรเอาได้เมื่อไหรไม่เอาไม่ต้อง เ็นงงอย่างที่บอกว่าถ้าต้องการไรจะหลวง่ออาจการไม่มีอะไรนี่มีการลกมัน ม, มีอะไระมันป็นการเลอานั้นนะเนยถ้าถ้ามันไม่จเป็น้วอย่าไปใช้มันถ้ามันจเป็นจริงๆแล้วมันเพื่อแก้ปัญหาไดแ้แต่ถ้ามันไม่ได้ช่วย อ, อะไรมากไม่จาเป็น คนนี้ฮะต้องขายรถประทุกสามคันสนิทสบายเลยแต่ว่าลูกเยอะทำไม่ได้ ท่านอาจารย์ถามว่าเป็นคำถามที่ว่าดีนะฮะพ่านถามว่าถวายตั้งใจท่านอาจารย์เนี่ยจาเป็นต้องเขียนใบปรนนาไหมคือเอาปัจจัยใส่ซองไปแล้วไม่ต้องเขียนใบปรนนาไม่ต้อะไรเลยได้ไหมได้ถ้าเป็ถวายมานี้ก็ไม่รู้เป็นของไทยพาไมู่้จัดเชื่อสครสักคนเพียแต่ว่าก็เป็นเป็นธรรมเนียมเวลาถวาย ขวาตัดใจเขาถวายตัวตัดใจให้ไม่ได้พระจะเลยให้ทำเป็นเช็คแทนท่านแล้วส่วนตัวเงินก็ให้พายคือวายาวัตตะก่อนเขาดูแลถ้าจะได้รู้ว่าวันนี้ญาติโยมถวายเท่าไรก็ลางทีภาษาพอยลายาวัตตะก่อแล้วพระไม่รีก็ได้ถวห้เท่าไหร่อืมยงแต่ถึงเื่อให้รู้ว่าญาติโยมถวายเท่าไหร่ ราคาจะได้ไปเคลรกับของกู้กู้บเงินต้บัญชีต้องลงตัวนคับมันจะไม่าวเลยมักมักจะไม่ทัแต่ก็ไมเปรยหลักเก็ถือตัวเงินเป็นหลักทาหลั่เท mm. ่านั้นอจากบนี้ก็ไม่ปเลก้เนาไปเผาไง พัดเจนใจอยู่นะเดี๋ยวว่ามันก็ลกุตกเฑ์เอ่อร่บของเก็บไว้ตลอดป่านนี้ก็เป็นตั้งหมดแล้วนะนเท่าไหร่คือบาทีเขาก็จะเจ้าไม่ตรวจให้ร้บรับเงินรับทองเพราะท่านเห็นว่ามันจะเป็นโทษมากกว่าเป็นเกณฑเพราะทาส่วนใหญ่ยังไม่บรี่ย ไม่ดุคนยังมีความยึดติดใ น, นเรื่องเงินเรื่องทองถ้มมามีเงินมีทองแล้วเดี๋ยวว่าจะคิดงงอะไรนี้ไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆที่จะมาทําลายความเพียทไรท่านเลยไม่ไม่อนุญาตให้พระมีเงินมีทองแต่ต่อมามีมีคนดุกันมากขึ้นแล้วคนก็มีความ อยู่ความละเอียดหยากตางกันคมเป็นคนที่พออยู่ดีกจนดีแล้วจะมีศรัทธายอยากจะหวดแต่ก็อาจจะมีความเป็นไปนจะต้องซื้อยาวิธี อ, อะไรบางอย่างทันเพื่อจะให้เขาได้อยู่อย่างสบายอย่างพอไปได้ก็เลยมีคนขออนุ ญ, ญาตว่าถ้าไม่ให้ศพพระขอฝากไว้กับคนอื่นได้ไหมและถ้าเวลาพระรูปนั้นต้องการอะไรเพื่อให้ไปบอกกับคน ที่เราฝากเงนะินว่าผู้เช่าก็บอกว่าแต่พระต้องไม่ถือว่าเป็นเงินของพระเองถ้าขอเขาซื้ออะไรให้แล้วพระมซีให้ก็ให้ไปขอได้สามครั้งถ้าเขายังไม่ซื้ออะไรให้ก็ไปถือโทษโขดเกลื่อนเขาไม่ได้เขาไม่ใช่เงินของพระถ้ามีทางเดียวคือไปบอกเจ้าของเงินว่าเงินที่ฝากไว้นั้นมันไม่สํามรรถประโยชน์ แต่ก็จะได้ไม่ถูกหลอกลวงเอาไปจับคนนั้นไว อ, อยู่แต่โดยหลักก็คือไม่ให้ยึดเ ท, ทียวกระยอนของตนดึงนี้บางทีสัมภาษบ้างก็ยังถึงนับรับตัวมือเลยเพราะว่าถ้าสมัยนี้ท่านสร้างว่ามันมีความเป็นธรรมพระจะไปไหนมาไหนขึ้นรถขึ้นลา เมื่อสมัยก่นอนยังขึ้นรถคูได้แต่สมัยนี้เขาเก็บตังค์นักพก็ต้องไปเรียนหนังสือเขาส่างท่านหนึ่งเขาอยู่วัดหนึ่งก็ต้องไปเรียนอีกสำ น, นักหนึ่ง <c oughs> ก็ต้องมีการเดินทางก็เลยอ้างกฎที่พระพุทธเจ้าทรงบอกพระอา ง, งุนก่อนที่จะแสดงพระมิทานว่าถ้าหลงเห็นว่ากฎข้อระเบิดข้อบังคับบางข้อ ถ้าสงเห็นว่ามันไม่ส ำ, สำคัญหรือว่ามันมันไม่จําเป็นเรื่องทําให้การดาเนินชีวิตไปไม่กระเดวกก็ให้ยกเลิกได้แต่พระอนุนก็ไม่ได้สงไม่ได้ถามว่าข้อไหนก็พอพระอรหันต์ตอนที่ท่านมาสังขญาณาท่านถามพระอนุนพระอนุนก็ตอบไม่ได้ว่าข้อไหนที่พระพุทธเจ้าตรึ จงตัดเข่งป้านงก็เลยถูกตับโทษต่ออาบัตเพราะว่าไม่ฉลาดที่ไม่ถามรายละเอยียดพรอรหัน์ที่สังฆายนาทั้งนั้นก็เลยมีข้อสัตยว่า <c oughs> ก็ไม่ต้องยกเลิกก็แล้วกัน <c oughs> ทุกข้อที่พระเจ้าท่งบัญญัติไว้ในสมัยที่ท่านมีพรชนชีอยู่ก็ <c oughs> าสามารถปฏิบัติได้เราก็ควรที่จะปฏิบัติกานต่อไป แต่ภาคสมัยนี้บางลูกบางนิกายยึกถือแค่แต่เขาก็อ้างว่าถ้ามีความจงใจจะยกนดได้เขาก็ว่าการจับเงินจับทองเป็นสิ่งที่จงใจในสมัยปัจจุบันก็เลยมีเป็นการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันก็เลยปรากฏนิกายทรรมนุทธขึ้นมาเนื่องจากรัชกาลที่สี่ในสมัยที่ทรงเป็นพระศร อย่างตอนที่ยังไม่ได้แสดงเครื่องของราชเราก็ได้เดือนไม่ศึกษาเมื่อก่อนจะบวชก็ได้ศึกษาเข้าใรจริมพระก็รู้ว่าศีลของพระเมีอะบ้าง<ม>แล้วก็เห็นการประพฤติัฏิบัติของพระในสมัย น, นั้นว่าเกียรติโยมก็เราไม่มีศรัทธาที่จะบวชกททับพระพวกนั้นก็เลยไปแสวงหาพระที่เขามีความเพ่งพระต่อพระธรรมเนืองๆเกาเจอพระพวกพวกพระนอน ก็เลยไปบวชกพวกมอรพระมอรก็เลยกลายเป็นกลุ่มขึ้นมาพามีคนอื่นเห็นการปฏิบัติของกลุ่มพระมร น, นี้มีความเพ่งเข้มจ๋าทำยังไงไม่จากเงินไม่จากทองอ ค, อคอยปฏิบัติตามทุกอย่างตามที่ใคสมาพิจารณาได้ปฏิบัติจะมีก็มีมเกิดคนกลุ่มหนึ่งที่มีศรัทธาจะออกบวชจะจะบวชกับกลุ่มนี้ กลุนี้ก็เลยเจริญแต่ ต, ตัวใหญ่ขึ้นมาจิตใจเป็นนิกายธรรมยุทธ์ขึ้าแต่ก็ถ้าเปรียบเทียบ ก, กับนิกายใหญ่ที่เราเรียกว่ามหานิกายเนี่ยก็แต่ว่านิกายอหญ่คือความจริงมหานิกายเมื่อก่อนนี้ไม่มีชื่อมหานิกายเพราะในประเทศไทยมีมีนิกายเดียวคือพอมีนิกายก็ยคือมีธรรมยุทธ์แต่กฎขึ้นามาก็าเลยเวลาจะพูดถึง น, นิกายใหญ่ก็เรียกว่ามหานิกาย ก็มีการแตกต่างกันขึ้นมาในในด้านการปฏิบัติตามพุทธรรมวินัยเะฉั้นถ้าใครบวชใครก็มีทางเลือกว่าอยากจะปฏิบัติแบบไห น, นถ้าอยากจะจะปฏิบัติเครื่อมหน่อยทางกบพุทธินัยก็จะเลือกทางธทำแบบนี้แล้วถ้าอยากจะบวชบวชตามยุนัแล้วยังอยากจะอยากเข้าสู่การปฏิบัติก็ต้องไปสายพระปฏิบัติ เพราะถึงน่าเรียนธรรมยุทธแต่ถ้าอยู่ในเมืองเขาก็จะไม่ค่อรปฏิบัติทางภาวนาเขาจะเน้นในทางด้านการศึกษาถ้าไปไปศึกษาพระบาลีดังั้นการปฏิบัติได้จะอยู่ในนิกาเรเดียวกันมันก็จะมีความละเอียดหยากต่างกันไปมันขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาของผู้บวผู้ศึกษาจะรู้เองว่าตอนเองนั้นเหมา ะ, ะี้กับ แบบไหนเหมือนกับซื้อรองเท้าเราต้องลองใส่รองเท้าก่อนเนี่ยไม่ใช่คู่ไหนก็ได้มันไม่ได้ถ้าหลวมันเกินไปมันก็ใส่แล้วมันจะแบนไม่สะดวกถ้าทับเป็นไปใส่ไปแล้วมันก็เจ็บต้องเอาคู่ที่เหมาะเหมนกับเท้าของเราการศึกษาการปฏิบัติการบวดก็เช่นเดียวกันแต่ว่าคนก็ังเลือกดูดกันนุ่เหมือนกันบางคนก็เลือกดูดแบบนี้มันคงก็ไม่อกบบนี้ ขึ้นอยู่กับชุมปัญญาบุญาเมีที่ดนะสเ้าม ค, ค, คนที่ปบาตรและเอาินนบาแล้วจะบาท้งที่ส่แล้วก็ทให้มสมบัติบาตรอนคนคนใส่ถ้าไม่รู้มันก็ไม่บาปรอะไรเพราะเขาจะเป็นการทำบุญเพีงแต่ว่าเขาอาจจะส่งเสริมให้ ถ้าปฏิบัติไม่ถูกกฎเท่านั้นเองก็จะทำให้มีภาพแบบนี้มากขึ้นก็ทำให้เกิดการเสื่อมมากขึ้นไปก็ไม่ได้ช่วยกันลงพระพุทธศาสนาทนาไม่ได้ส่งเสริมแต่ช่วยกดช่วยทำให้เสื่อมเลยขึ้น กาี่มีสาการนี่ถว่าเป็ น, คน่คะ่ะไม่จัดแยกอกมันเป็นทางเลือกของแต่ละคนใช่ไหเองเพราะมีกเปนนกลนว้าไม่มีานิการท<อ>เว่ารที่สีามกกากาเพราะมันมีตั้งมาหน้าแต่กฎหมา ย, รยาวระพุทธ้านิพพานอย่างนี้น ม, มีนิการที่แยกๆออกไปกันเรื่อยมีแต่ที่อยู่มาตลอดก็คือนิการที่ อันไหนที่เครื่องทัศกับก็ทํามวินัยมากที่สุดนิการนั้นจะอยู่นาที่สุดเพราะฉะนั้นมันเมื่อเมื่อนิกายเดิมมันเสื่อมไปก็ถ้าเกิดมีคนที่เขาเห็นว่ามันไม่มันไม่ชทางแล้วเขาก็ไม่เดินทางตามทางนั้นเขากลับไปสู่ทางเดิมทางที่รู้แจ้งในเนินอยู่แต่ว่าเป็นการแตกแยกก็ไม่เชิงก็ไม่ได้จะยุ่ยแหลให้แตกแยกกันเป็นเพียงแต่ย้อนกลับไปตามเดินตามพระบาทของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง ที่คนอื่นไม่ได้ดำเนินมาหรือเขากำลังเดินผิดทางเรารู้ว่าถ้าเดินไปทางนี้แล้วมันไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราไปแต่เราก็ไม่ได้ระยกความงาิดท่านว่าเราพิเศษพิเศษกับเขาหรือเราปฏิวะติเบาแรกับเขาหรือไปมันจะแตกแยกมันต้องมีเรื่องทะเลาะกันจ้องทําลายกันอันนั้นแหละมันถึงเรื่องแตางแต่แยกตรงนี้ไม่ได้มีการจ้องทําลายกันไม่มีการอะไร ท, ทั้งสิ้น เนืนแต่ว่าขอขอไปทางของฉันเท่านั้นเองเมื่อทางของคุณเนั่ยไม่ได้เป็นไปตามพระธรรมคำสอนแล้วมันจะเป็นสุปฏิปันโมได้อย่างไรมันจะเป็นอิชุยาญะสามีจิตได้อย่างไรแต่แต่เราต้องการจะไปทางสุปฏิปันโนอิชุยาญะสามีจิตเราก็ต้องไปทางนี้เท่านั้นเองไม่ได้ข้ามความแตกแยกอะไรแต่คนที่เพื่นนั้นเป็นคนที่อยากจะให้เป็นความแตกแยกก็เลยพยายามที่จะโผล่มันขึ้นมา เน้นมันขึ้นมาเพราะความโง่เขลวเราเปนอย่างเราะเว่าพูดต่อเสียเนี่ยพูดยุยงให้เกิดทางแตกแยกไม่ได้พูดการเพื่อให้เกิดความสมานฉันเพื่อความรักกันครับเกิดความเข้าใจกันว่าอยู่ด้วยกันได้เขาก็ไปทางนั้นของเขาเมื่อเขาไม่มีเหตุผลแล้วเขาจะปฏิบัติเนี้ก็ไม่ว่ายก็ไปของคนแต่เราที่ว่าคุณ ทางนี้ดีกว่าแล้วก็จะไปทางนี้แต่เราไม่ไจะไปทําลายคุณไม่ได้ไปเผาวัดของคุณไม่อะไรทั้งสิ้นต่างคนต่างอยู่กันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนไม่ได้เกิแก่เจิบตายเป็นเป็นเป็นชาวพุทธด้วยกันอย่างถ้า ก, กับฆราวาสก็คนละสั่งกันนะก็ไม่หแหกแหวกแยกกันโยมก็ยังมีสามีมีภรรยาไดา้แต่เท้านีไม่ได้ว่าแต่ก็ไม่ได้แต่แหวกแยกกันว่า คนคนละฝั่กันก็เป็นฝ่ายเดียวกันเพียงแต่การเดินทางของเรามันเขคค้มข้นต่างกันเองถ้าอยากจะไปเร็วก็ต้องกติมน้ำมันม95ถ้าไปช้าหน่อยก็เอา91มิจฉบเทพในครอบครัวคนหนึงปฏิบัติธรรมคนหนึ่งปฏิก็ออยังอยู่ด้วยกันได้ได้ไม่ต่าแยกอะไรตลอะคนจริ่งกินก๋เตี๋ยวคนจริงกินข้าวผัดก็ไม่ได้ต่างแยกกัน เป็นความเป็นความพอใจแลวเป็นความสามารถของแต่ละคนลรคนที่หายกุอันนี้อไม่ชีจ้ามาในืนกัน่อสามารถทได้ไม่าวคือการปิบับาผู้นำจริงมันเป็นการขอทานใครจะทำก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ถ้าไม่ได้ไปเบียดบีไไป จะรบกวนคนที่เราเปของเขือนเดนถือบาทไปแล้วแต่ใครมีศรัทธายอย่างกจะใส่เราให้ได้รับเราที่คือหลักของการรับบาตรที่มีธรรมเห็นแต่ว่าในสมัยปัจจุบันนี้เรามีปัญหาเรื่องขอทานเยอะพวกขอทานที่เราไปทําให้สัดบสงกับคนขอทานที่มีเสียงกับคนข อ, ขอทานที่ไม่มีเสียงที่ทางรัฐบาลก็อยากจะส่งเสริมคนขอทานที่มีเสียงเพออกกฎหมาย คุ้มครองนคนที่ขอทานไม่มีเสียงก็เกว่าผิดกฎหมายเราจะถูกจกับะไรเท่านั้นเองทีนี้ไม่ชีนี้ไม่ทราบว่าอยู่ในถท่ยที่กฎหมายนี้คุ้มครองอยู่หรือเปล่าแต่เรื่องของการประพฤตินั้นไม่ผิดไม่เสียหายอะไรสมมติถ้าพระโยมเกิดตกทุกข์ไยาก ลมถือกลาบานเหมือนกันก็ไม่มีใครก็ว่าอะไรใช่มคิดว่าอะไร้นี่าก็เป็นก็เป็นภาชนะอันหนึ่งทีเ่เราไปยึดถืว่ามันเป็นของพระทันทีมันก็เป็นภาชนะอันหนึ่งีบางบางบางภาชนะก็อาจจะอยากจะส่งเสริมให้ให้ให้ชีวิต้ปฏิบัติคขาพูนศกดพระอยากจะให้เป็นบันทึกของมี เนื่องจากว่าไม่สามารถบวชพิจนีได้ก็ให้ทำให้มันใกล้เคียงที่สุดคือไม่ได้ทางทางกายภาพ ค, คือไม่ได้ผม่ท่าเหลืองก็ให้ได้ทางด้านปฏิบัติก็ได้ถ้าโยมอยากจะรักษาสิยงของพิสุนี้ก็ได้มีมากกว่าของท่าอีกสีกร0อกว่าข้อนี่กันก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกว่า ไปศึกษาได้แล้วเวลาปฏิบัติจะปิบัติตรักษาศีลของพิชิตุนีสารวะแต่ก็โยมก็เป็นพิกิตุนีทางปฏิบัตินะก็ะจําเป็นจะต้องให้ทางโลกเขามารับรองใช่ไหมนะแต่คนนี้อยากจะบวชเพื่อให้ทางโลกเขารับรองแล้วก็ไปสร้างความยุ่งยากสร้างปัญหาให้กับทุกอย่างเพื่อเพื่อตัวเองจะให้คนอื่นรับรองว่าตนเองเป็นพิกิุนี แต่ถ้าเราต้องการปฏิบัติเรื่อาการหลุดพ้นนะไม่จําเป็นจะต้องมีใครรับรองปฏิบัติเป็นคารวะอย่างนี้แต่เทสิงมากกับพระเพ่งกว่พาพระก็ได้ว่าบรรลุธรรมสูงกว่พระก็มีต้องเยอะแยะเพราะ ก, การบรรลุมันไม่ได้อยู่ที่ท่าเหลืองไม่ได้อยู่ที่การเดือดมันอยู่ที่มักแต่อยู่ที่จุปัตมโนอุชุยาญาณมีจิตถ้าปฏาิบัติ ด, ดีนะจุปัตตมโนอุชุปฏิบัติตรง ย่ายะปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นถ้ามีจิปตปฏิบัติด้วยความถูกต้องตามธรรมง่ายๆคนนั้นก็จะเป็นผู้ที่จะได้บรรลุเป็นพระอริยะสงสารขึ้นาไม่ได้อยู่ที่การบวชจับนิการไหนลืมนิการนั้นนิการนีนน้ไม่กสําคัญหรือจะได้อยู่อยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ขนาดไหนก็ตามก็ไม่สําคัญถ้าอยู่ใกล้ชิดแล้วไม่ได้ปฏิบัติทา<ม>่านก็บอกว่าเธออยู่ห่างจากเราเป็นโยด แต่ถ้าจะ อ, อยู่ห่างจากเราเป็นโยนแต่เธอมุ่งมั่นอยู่ในการปฏิบัติดีปฏิบัติเท่าเธอนั้นก็อยู่ไม่ไกลจากสถาคตฉะนั้นสรุปก็เธออยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่ทางสิงสมาธิพันญ์วัอยู่ที่การเจริญสติ ที่สอน้ำหมนนี้ก็สอนที่การปฏิบัติอย่างเดียวกูนเท่านั้นเท่านั้นกูจะทง เอวเมิวะอุตคุยางตานังอุปการตุปิอิกิตังปะติกังเปทนคังดว่าเมวะสุนิสโตตุสัพเทตุระมุตรั้งครัาำโทปนะวัโยคาท้มนิสโตตระโยยาทาติติโยวิวัตสนตตัปะรโกวินาจตุมาเตววัวันตวายุทกีจุชยุโทว อภินนอนนวาทังสีลุคัสิจามุธาปจายูโนตารุธรรมาวาทังติตาุวันโนตุคังตะวัน บบอยู่เป็นเพื่อผู้อาศัยแ่นั้นองแต่ก็จะตั้งอะไรมันเรืเ่องของขถ้าเขาตั้งกัเราไม่รับ็อย่ามันก็ไม่มีความหมายเลยอ๋อ ม, มันจะยาก <c oughs> <c oughs> เป็นแค่ตำแหน่งท่าจุลนายกนี่ในไม่มีเนี่เป็นตำแหน่งพิเศษคือเป็นเป็นส่วนประกอบของยศของพระสังฆราชนีี่เท้ลยคือพระพระสังฆราชนี่ท่านมีจิตตั้งพระติดตามท่านได้จิตห้ารูปเป็นพระครูจิตสามรูปแล้วเป็นเจ้าคุณสอรูปเจ้าคุณก็มีประหลัดซ้ายกับตระหนัดขวา ประหลัดข้ากับประหัดข้าประหลัดข้าางวัดบวงเขาจะเรียกว่ามหานายเยอะเรื่องประวลัดใต้ยก็จะเรียกเขาเป็นลมายเยอะแต่ถ้าสังฆราชวัดอื่นเขาก็จะมีชื่ออื่นเช่นก็จะเรียกอะไรไม่ทราบจำไม่ได้มีจุลละอะไรต่างจุมาจุนละไม่มหาละมีทักษิณไม่มีอะไรจำไม่ได้เแต่ก็จะมีชื่อเรียกต่างกันไปแล้วแต่ละว่าเขาจะตั้งชื่อนั้นขึ้นมาถ้าเป็นวัดบวงเขาเ สังฆราชทุกลูกก็จะมีมีประหลัดขวาประหลัดซ้า<ม>ก็เป็นเพียงการตั้งพระที่เป็นผู้อุปถ<ม>ัมภ์ท่านท่าน<ม>ให้มีหน้ามีตามีเมกียรติเหมาะสมแไม่ต้องไปรับพักยศไม่ต้องเวลาถวายก็ต้องไปรับเหมือนกัน ท่านกัรไปพระไปเียเดียวที่ขับที่หลวงตาท่านไปแล้วถ้าท่านนั่งตรงนี้แล้วนีพระมหานายกนั่งตรงนี้อาตมานั่งตรงนี้ท่าะมองเห็นเพราะเราเข้าไปก่อนแล้วยยแต่ก็กราบท่านไม่ได้เพราะเขาให้นั่งเหมือนเก้าอี้แบบแต่นั่งเก้าอี้ใหญ่ที่เรานั่งเที่ยวแต่ทางเดินแค่มันเป็นถาถาแถวๆเรเห็นท่านราเกยู่ม่างทน เพราะท่านรับองค์สุดท้ายของพระชันลาศขุนละจันาศนีก็จะมีแหลงท่านกันเหมือนกันบหลงตามประเรียนตามอะไรนี่ถ้าประเรียนสูงกว่าเวลาไปรับความกันนี้ก็จะรับก่อนรับหลังกันในอาวุโสแล้วก็ส่วน่องอาตมานี้เป็น <|ja|> ท่านสามัน แต่เป็นขั้นสามัญที่สูงสุดของสามัญทั้งหลายรองจากพระมหานา ย, ยกพระมหานา ย, ยกนี้ท่านจะเป็นสูงขึ้มาพระมหานา ย, ยกนี้พอดีตอนนั้นท่านจึงนพระจุนลน า, า ย, ยกแล้วท่านได้เลื่อนเป็นพระมหานา ย, ยกแล้วจุนลน า, า ย, ยกว่างเนเกทั้นก็เลยมอบให้กับอาจารย์แล้วหลวงตาท่านกน็ยังอยู่ลำดับของชั้นราชองสุดท้ายก็เรามีพระมหานา ย, ยกท่าน แต่นมื่ก็เป็นมาต้องงานแล้วก็ไม่ได้ไปขยับไปไหนเลครับไม่เล่นอย่างตอนนี้เพราะเราไม่ได้ไปไปไปวิ่งไปหามันมาเองตอนที่ท่านตอนที่ท่านให้ท่านก็ให้ใหเจ้าคณะจังหวัเป็นคนพานังสืมาให้เป็องพอคณะจังหวัดเนน <c oughs> ขดบอกว่าสมเด็จอยากจะถวายอะไรท่านข อ, นนอ ท, ท่านช่วยขนมขบคาให้ท่านหน่ย มันก็เป็นผู้น้อยอยู่อาศัยเัิงอยู่จะไปทําเป็นไม่รับไม่สนองอะไรมันก็มันเจะลําบาก ถ, าถ้าเราไม่รับแล้วก็ต้องหนีไปดีก่า <c oughs> อยู่ไปแนละ้วมันก็อยู่มันจะไม่เห็นคุณค่ามันจะไม่ตายะครับก็าไว้เท่านั้นเองรับไว้ก็ไม่ได้ใช้หรือนอกจากปีนเวลามีา่ยอังจะถึงข้าราชทารก็ต้องเอาไปเอาพักไปไปเป็นตามทําเป็นตาระปัด เวลาเป็นพระาษฎริกิตก็ต้องใช้ทนเรียันเร็วแล้วเสร็งั้นเราก็ไม่ได้รับนิมนไปไหนก็อย่างนั้ได้เลยใครนิมนต์ก็ใช้นนใชคร ไ, ไม่มีหน้าที่จะ ต, ต้องปฏิบัติอะนรไม่มีเราก็คือห <c oughs> น้าที่ก็เราอยู่วัด น, นี้เป็นวัดของสมเด็จพระสังฆราชแล้วท่านเป็นผู้รักษาการ ท่านก็แบ่งให้พระแต่ละลูกช่วยกันดูแลส่วนนั้นส่วนนี้อาตมาอยู่เป็นเข า, าก็จะก็มอบหมายให้ช่วยดูแลบปนเขาในท่านนั้เองก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ตอนตอนนี้ก็ไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นอะไรมากอะ่รฉะนั้นเท่าตอนนี้นท่านก็เจราพระเพืน่นก็ไม่สามารถนั้นได้มากนในดาก่อนก่อนหน้านั้นตอนที่ท่านยังพอที่จะเป็นคําสั่งได้ท่านก็นนกนเป็นนักเให้ฉบับหนึ่งให้อาตมาเป็น ไม่ได้ตั้งเป็นเจ้าว่าแต่เป็นเจ้าบ้านคือ เ, เป็นการแต่งตั้งภายในว่าให้เป็นผู้คล้ายๆว่าถ้ามีความจําเป็นจะต้องเป็นผนู้แทนท่านเกี่ยวกับเรื่องของบ้านก็เป็นทาของบ้งนานเช่นเวลาจะขอความเชื่อเ ห, อเหลื่องานราชการเรวลามากลีา ก, การจัดงานจัดการต้องให้เขาเชื่อมา การเต้นจากเจ้าอี่ va, ้ทำอะไรเสร็จต้องทำมือใสือเวลาพระมีพระมาบวชมากจะต้องไปขอไปบิณฑบาตในในฐานทัพเรือแล้วก็ทำมือเสือไปขอขอความเมื่อมือจากเขาจะต้องเสร็้มืลสือแต่ทางปฏิบัตินี่โดยธรรมชาติของคนก็มีควอยากจะทำอย่างนี้เราก็เราก็ปล่อยให้ใครอยากจะทำอะไรก็ปล่อยให้ทำไป เราไม่ทำได้เท่าไหร่ยินดีเราอยากจะอยู่เนียบๆอยากจะอยู่กับทางสกบมากกว่าถ้าทำก็อยากจะทำทางด้านถือแผลทำยังท ำ, ท ำ, ทำเองทำส อ, อ, อฉันก็ไม่ไม่ไม่ได้รับนีนิ้นไมไม่ได้ไปญี่ปุ่นที่ไหนแล้วก็ถึงไม่จะนี้มว่นให้ไปเที่ข้างนอกก็ไม่ไปเพราะมันง่ายเกินไป <c oughs> วันอยากจะได้ธรรมะมันต้องขวนขวาอยูน่นะคือเป็นพวกลูวิ่งอะไรแล้วบรรยากาศบรรยากาศข้างนอกข้างในก็ไม่เหมือนกันเวลาในแสดังที่สั่งนั่งงานเนีน่มันไม่ได้เลี่ยงคนมาฟังมันก็ฟังแบบบางทถีถูกเตะตกใจมาฟังถบังคับมาฟังบรรยากาศจะเป็นกระทึกเครื่โคลนอะไรไม่เห็นว่าไม่ได้รักษามีคนมายังยิ้มมวนไปอยู่ี่ย แล้วไม่ตถ้าอยากจะฟังก็มาฟังด้นยก็าอยู่นี่มาตั้งยี่ปีแล้วก็ไม่ได้ไปวิ่งมาที่มาที่จะวิ่งมา็ดามปีแวแต่คนที่รับมิจิุนไม่เหมือน่ังก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะอาจจะเป็นจระิ่งของท่าน ท่านเป็นการโกรดญาติยมไปมรูปแบบของท่านกามครรมบััของเราถนรมบัญญัตนี้เราต้ปฏิบัติอย่งางนีนาานนไนนะ้ไม่ก็จะไปไหนก่เราเหนือราเป็นคนเหนหือ <c oughs> น, น, นะอยากมาฝากบอก <c oughs> ยอมล้บเ่ยบอกว่ากลัว <c oughs> ก็ท่านยังสงไม่ถึงไปว่า ส, งสาวงตายังยั ง, ย, งยังตัดที่แม่แก้มไ้าขกลัวมากเขายอมเขายอมแล้วกัน้จายมล้วเขาจ่า กลับเรียนมาแต่งว่าเรื่องจะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วจะกลับงต่ออีกงเดียวาจจ้างหยาปล่อยวางแล้วก็อะไรก็ได้นนั้นอยากให้สวงแต่ว่าก็คงเคยไม่ได้ปล่อยตาขั้นตอนไม่อยากจะย่งยากไม่อยากจะทำไม่ได้อยากปะติดทาแล้วกันสนอูก็บดเนินการต ถ้าเราปล่อยแล้วมันก็เป็นีปหาถ้าเราไม่ได้หวังอะไรจากมันแล้วอะไรจะเป็นไงก็เรื่องของเราให้ทำไปแล้วอมันจะเป็นของเรามันก็กลับมาหาเราเองอะไถ้ไม่เป็นของเรามันก็ไม่กลับมาป้ายเขาปากช้างแล้วนะ นีเป็นอืเนี่ยี่กังวลแต่ของลูกยเรามีคำละแล้วก็แล้วก็สบายใจเราไม่มีคำละก็เปนอยางอยากจะได้คืนเ่ยก็วันสามนครับพรอผมแฝนต่าที่คุณมกูใช้ค่ะแม่กอนันหลาๆรอบเกิดนี้ทำมีได้รับอผู้ที่ทานเราท่าังรอรับอยู่ก่า ถ้าทา Yo, um mm ่านได้มีความจาเป็นก็ต้องรอรับนี an ่ผมว่าท่านไปอยู่สวรรล์วาก็ไม่เราท่าก็ม่นะท่านไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ล้าท่านเต็มคำไปเลยยังเียวาอยู่รอสนตรงนี้าไปเป็นใารับม่ราใ่าความดีที่เราสาอมเราอันนี้จเราเราแผดแไปไม่ได้ความดีของใครของันครับ ต้องทำกันเองบุญของได้ต้องมาแต่ได้ก็จะก็บุญอิทิ์นี้ได้ในส่วนตัวที่เขาทำเนี่ยก็เป็นความดีที่แข็งหนึ่ที่เขาทำแล้วคงจะได้รับผลถูกต้อไม่ใช่ได้เขาได้รับคนเดียวเขาถือรับไม่ได้ตัวตเองพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้หมเยถึงน่าพ่อแม่จะบรรลุธรรมต้องพระพุทธเจ้าต้องสอนให้พ่อแม่ปฏิบัติทาเชิงธรรมามาเพราึ้งจะได้ของเาเองปฏิบัติแทนกันไม่ได้ กายเหยียกันนอนเงาเถอะออเป็นที่พึ่งของตอไม่มีผู้อื่นจะเป็นที่พึ่งขอาได้ปฏิบททัติทางกันไม่ได้ทางการดีแล้วจะเอาความดีของเราที่แบ่งไปให้พ่องม่ไม่ได้เพาไม่ได้ทำ ท, ทางดีเองแค่นันขั้นการนการตรวดน้ำาย่งเข้าใจไม่ไม่จำเป็นไม่ทำด้วยนะ คือถ้าต้องใช้น้ำ น, นี่ไม่จําเป็นแต่ถ้าใช้น้ายยําใจนี่จำเป็นในวันนี้เราทําบุญแล้วเราต้องล่าวในจิตในใจเราขอทิพย์เงที่ได้ทําวันนี้ให้กับผู้นั้นทู้นี้เพราะถ้าเราไม่อุดทิพเขาก็จะไม่สามารถรับเงินส่วนนั้นไปได้กระแสจิตนะเงินทิพย่ทางจิตเป็นข อ, ขอให้ขอขออุทิพย์ส่วนเินนี้ให้กับคนนี้นคนนี้เพราะว่าถ้าเขารอรับอยู่เขาก็ารูว่าอันนี้เป็นขอเขาเขาจะรับ ก็ได้แต่ถ้าไม่ถูกที่ทำทำแล้วก็ร้ายลงไปเดือนนี้ก็จะเป็นของเราทาั้งหมดก็ก็ได้มาถึง ม, นน ม, นมันก็แล้วเอาเอาเอาเอาขนมบริวารว่าท่านขนมนเนี่ยใครอยากจะได้ก็อยากมาหยิบไปใครมาก่อนก็หยิบไปก่อนต้นกระดาษไปสับประสาทสับตัวรามาถึงก่อนเห็นก่อน ก็เอาไปก่อถ้าเราไม่กําหนดเจาะจงก็อยู่ที่เราว่าเราต้มีเจตน า, าอย่างไรถ้าเราต้องการที่จะให้ถึงคนนั้นคนนี้โดยตรงเราก็ต้องเราก็ต้องเจาะจงแต่ถ้าเราไม่มีใคยรยอรับบุญอยู่แล้วใจเราอยากจะแผ่บุญให้กับกับประสาทที่เราไม่มีญาติอย่างเงี้ยไม่มีใครแผ่บุญกุศลให้เขาเขาก็จะได้รั บ, บเรียนเฉยๆถ้าคนที่เราเจาะจงเเขารับไม่ได้ อยู่ที่อยู่ที่ฐานะของเําถ้าเาถ้าไม่เป็นสามเรสีเขารับไม่ได้เทนั้นคนอื่นจะรับได้ไม่ถึงคนอื่นต้าเป็นสามเณรสีเาเจาะจงคนนั้นถ้าเราไม่ได้เจาะจงคนนอื่นก็เอาไม่ได้เพราะเป็นของคนนั้นวเรจาะจงคนนั้นแล้วเราก็ให้ประกาศจริงด้วยก็ได้ไปอย่างนี้ก็ได้รแต่าใครไปก่อนอ่ล ถ้าคนที่คนถ้าคนที่เราเจอตรงไปที่หลังคัพท์ศ า, าสตร์ชอบไปก่อนเขาก็ออกไปก่อนอไม่เข้ากัอะที่นว่ามันิดเดียวเท่านั้นเองบบรือนี้มันม น, มนิดเดียวเท่านั้นเองเ็มอนอาหารจานเดียวใครหิวใครมาถึงก่อนก็เอาไปกินก่อนอแต่ถ้าเราเขียนไปไว่าสำหรับนายกรนายขอ ถ้าไม่ใช่ในจอในายขอมาจะหยิบไปไม่ได้แล้วจะรอรออยู่ตรงนั้นนะครับถ้ารอจะกระทั่งมันมันหมดสระาพาไปมันจะกลับมหาเจ้าของยอยูม่มหาผู้ที่ผู้ที่ไปเป็นของผู้ที่จะกลับมาคืนเปยผู้ที่ ใช่คับที่ก้ว่าถ้าคุราอยากตั้งใจจะให้คุณแต้องระบุแ่คนเดสกัต้อง่ก็ถ้าต้องการจะให้คุณแม่คนเดียวก็ต้องอคุณแม่คนเดียวถ้าตัดประจักรวต่อนกไปเลยหรืออาจจะเขียนเป็นคิวไปก็ไดขอให้คุณหม่ก่อนประจักรทั้งหลายก็ได้ไม่จะเซ็นแค่แก่็ไม่ทันก็นึกหน้าไปก็บอกว่าขอแท้ๆคนณแก่อน แล้องการประสบท้้งหลายทุกคนน่าไม่มาเราประสบอยากจะเอาไปก็เอาไฟหน้าก็ต้องตำรวจตายละเอียเหมือนกับเขียนที่นายจอมอ่ะเขียนที่นายจอมถ้าให้คนนี้แต่คนนี้ตายไปก็ให้หลานต่อไปให้ลูกต่อไปอะไรเหมือนอะไรี่นหนทอมได้เป็นจะให้คนนี้แล้วคนนี้กัดเป็นบ้าไปอย่างนี้ ก็ให้คนอื่นต่อยต่ก็ไม่มีเลย้าที่จะรับได้มูลนิธจะเป็นอย่างที่นายจันที่เราเจอได้เขามีเยอะกว่านั้นเขามีงินเป็นร้านเป็นงานที่เราไปให้เขาไปชื่อเขาไปกินในร้านอาหารในโรงแรมเขาไม่มานั่งเอากินเนี่ยเข้ากงเข้าแกงที่เขาทำให้เราทานเสมอ เมื่อจาให้พรนี่ักลูกก็แผลไปทั่วๆสุดท้ายนีขออธิษฐานให้คุณทพคือท่านจริงเนี่ยมันการอธิษฐานไม่อธิษฐานาการกระทาของเรามันมันคงคนหน้ากับเราแลวถ้ะจะให้พรจะไม่ให้พรไม่สาคัญอันนี้เนเพียงพิธีกรรมอะไรนึงถึงเราทาบุญแล้วไม่มีพาะมาให้เ อ, พอบพรแตเราเราก็ได้ดยินนะครเพราะการจะให้พร น, นี้เป็นการแสดงความยินดี ของพระเท่านั้นเองก็ อ, อสดบความยินดีด้วยเพ mm hmm. ื่อไม่ได้ทดําบุญทาทาน mm hmm. แล้วก็สอนไปในตัวว่าเนี่ยก mm hmm. ารที่จะได้บุญก็ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้เะ่านั้นเองเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นธรรมะเป็นคําสอน <Okay. S 1> ถ้าจะให้พรหรือไม่ให้พร อ, อันนี้เปผลบุญที่เราทําอย่างนี้มันเกิดขึ้งนะ mm hmm. อยู่ในใจ แล้วไม่จำเป็นจะต้องให้ฟังก็ได้รวมทังเสร็จแล้วไปเยไม่ดังรอรอแล้วไปอาจจะมาอาจจะไม่ละเอียดนะถ้าครูบาอาจารย์นงพูดเป็นอย่าง่ก็ต้องขอทางด้วยอันนี้เป็นพูดทีแต่ามความเข้าใจของเราเองเราก็เคยก็เคยพูดถึงปูมากเลย อะไรทักทิ้อะไรทักทิ้งบุญาทำบุญแล้วบอกวามาละพรเขาบอก่เขาได้การธบรมะแล้วต่ละพรมันก็อาจจะได้อีกอย่างนึงคือได้ทันติได้ได้ติได้ได้แรอย่างอื่นแทนขึ้นมาถ้าฟังภาษาบาลีเข้าใจก็อาจจะได้ธรรมะว่าในในคาว่าให้พรนี้จะสอนธรรมะัน่เชื่ออธิวาทนะสุริกาลนิจจังนายาารย์น่ถ้าหมายถึงว่า ผู้ที่มีบาภ่วา่าเป็นปกติย้อมเจริญด้วยอายุอ่อนน้อมสัมนะมาคารวะนี่คือความหมายเราอาภิวาสก็เป็นผู้มีความอ่อนน้อนทําตรงนมีสัมมาคารวะเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีอยู่ในในเหตุการณ์ที่ยังต้องอยู่ต้องรอรอรับผ่อนก็ต้องอยู่รอรับผ่อนมันเป็นมายากที่ดี<ๆ>มีสัมมาคารวะ ก็จะได้บุญจะเป็นคนเจริญในด้านอัญกืชวัฏจักรถึงแม้จะไม่ได้ทำบุญให้ทานประกาศแต่คนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะอยู่ที่ไหนก็จะเป็นคนที่มีคนเคารพไม่มีใครเขาเกลียดำัำ <c oughs>